Beep. <whistles> นอบน้อมจึงมีแต่คุณพระรัตนตรยัยเจริญพรเป็นบริษัท ต, ตลอดจนถึงผู้ที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเช่นอยู่ในบรรษัทข้ามชาติก็ได้บริษัทเอกชนก็ได้บริษัทมหาชนก็ได้ส่วนพุทธบริษัทนั้นเป็นบริษัทไม่จำกัดแล้วก็มหาชน ใครจะเข้ามาถือหุ้นก็ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชาวพุทธขอแค่เป็นมนุษย์ก็พอกฎิกามีแค่เนี้ยแค่เป็นมนุษย์ก็พอละเมื่อกี้มีคนยอมไปคุกเขาถามาตมาพระอาจารย์เจ้าคะทำไมชื่อมันโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินกิเลสแม a เดจเมนต์พระอาจารย์นี่มาจากไหนเจ้าคะ ถึงได้จัดคอสติพิเศษมากก็คือฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเหมือนคนจานเนโอโหจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่เหนือกิเลสแล้วเมื่อถามมาตมาก็จะตอบให้นะธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดแปดพันี่พันพระธรรมขันธ์มีเป้าหมายเรื่องเดียวคือดับทุก .management มีค่าเท่ากับคำว่าดับทุกแต่ถา้าตมาจะบอกว่าการปฏิบัติธรรม นำไปสู่ความดับทุกข์ก็คงจะนิ่งกันไปหมดเลยไม่มีใครเมี้ยวหูฟังนะพอบอกว่าจะจัดปฏิบัติธรรมนะบรรยาธรรมและนำปฏิบัติในชื่อกิเลสม e m จ n t มีเดยคนสอบถามเข้ามาโทรศัพท์ข้างล่างเนี่ยเจ๊งแล้วเจ๊งอีกนะเพราะฉะนั้นการบริหารจัด ก, การมาจากคำ ว, ว่าดับทุกข์หรือคำ ว, ว่านิโรดนั่นเองธรรมภา พ, พก็ปรับใหม่ให้เป็นภาษาของคนร่วมยุคร่วมสมัย ไม่ได้หยิบคำที่ไหนมาใช้โดยที่ไม่ระมัดระวังเลยนะมีที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วเจ้ากิเลสนี่หละเป็นใครกิเลสโดยธรรมชาติพื้นฐานเขาเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขกที่จรมาขอพำนักพักอาศัยอยู่ในใจของเราทีนี้พอพำนักพักอาศัยนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้ น, น, น, นเราไม่เคยบริหารจัดการกิเลสกิเลสเขาก็ยึดเอาใจเราเป็นบ้าน อยู่กันไปอยู่กันไปอยู่กันไปเจ้าของบ้านตัวจริงคือธรรมะถูกต้อนไปอยู่ชายขอบกิเลที่จรมายึดพื้นที่สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนั่งอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็นปุ่มก้อนแห่งความสุขเคลื่อนที่เพราะดับทุกข์ได้แล้วกลายเป็นแต่ละคนก็คือก้อนแห่งกิเลตดูซิเนะี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ก้อนกิเลตทั้งนั้นเลยเนะี่ย ก้อนกิเลสหนึ่งก้อนที่อยู่ในใจเราไปแต่งงานแต่ก้อนกิเลสอีกหนึ่งก้อนมงคลสมรสของกิเลสแท้ๆเลยเห็นไหมและเราแต่ละคนไปอยู่ใกล้ใครอยู่กับคนสองคนก็เป็นกิเลสสองก้อนมากอดกันมีลูกมาหนึ่งคนก็เป็นก้อนกิเลสอีกหนึ่งก้อนไปอยู่ในบริษัทคนในบริษัทมีห0 0ร้อคนนะก้อนกิเลสทั้งหมดเลยคุณดมเห็นหรือยงเราอยู่กับกิเลสจนคิดว่ากิเลสคือ ส่วนหนึ่งของเราแท้ที่จริงติเลตเป็นแค่แขกแปกหน้าถ้าเราบริหารจัด ก, การให้เป็นเขาจะไปจากเราแต่ถ้าเราบริหารจัด ก, การไม่เป็นเขาจะอยู่กับเราและตามไปข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติได้ยังไงอย่างกรณีของพระเทวทัพถ้าเราศึกษาชาดกก็จะเห็นมาทุกภพทุกชาติตามจองหลังจองผ่านพระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆจนในพระชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรง อภัยจะถามเทวทัศน์สํำนึกได้หลังชดใช้กรรมก็จะกลับมาเกิดเป็นพระปฏิเจกับพะพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิเลสนั้นถ้าเราไม่บริหารจัดการให้หมดสิ้นออกไปจากใจเขาตามเราไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งข้ามภพข้ามชาติและเมื่อมันอยู่กับเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็จะเป็นก้อนกิเลสไปทางเนื้อทั้งตัวหาส่วนแหง่งความเป็นมนุษย์ แทบไม่พบยิ่งใช้ชีวิตไปความเป็นมนุษย์ลดน้อยถอยลงแต่ความเป็นคนของกิเลสนั้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายไม่ใช่คนของกิเลสเป็นตัวกิเลสเสียเองอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นตัวกิเลสเสียเองทุกท่านลองถามตัวเองดูซิว่าเราแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีสัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ที่เราสามารถบริหารจัด ก, การได้จริงมีกิเลสกี่ตัวที่เราบริหารจัด ก, การได้จริงในตัวเรานี้ น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะมีสัดส่วนของกิเลสผสมอยู่ในในจิตในใจของเราด้วยเหตุ น, นี้กิจกรรมแรกที่ตมะขามาให้ทําก็คือตามะให้สวดมนต์ก่อนแล้วก็พระก็ไม่นําด้วยให้โยมนําอยากทดลองรู้ว่าสวดมนต์กับโยมในใจของโยมจะรู้สึกยังไงทาไมพระไม่มานําอาการของอะไรเนี่ยที่มันโกรธมากอย่างนี้ยทําไมสวดนานๆะไม่เลยจะจบเนะี่ย ฉันมาฟังเลยจะไม่ได้มันสดเห็นไหมกิเลศ เ, เ, เขาพยายามจะแสดงตัวเขาพยายามจะแทรกตัวมาแทรกตัวมาแล้วก็จะกระซิบเรานะทีละนิดทีละนิดทีละนิดบางคนทนไม่ไหวมาตั้งสิบเอ็ดมองดิฉันรอไม่ไหวหรอกค่ะเจอตา้มาที่ปากทางตั้มาบอกว่า อ, อย่างนี้นะยิ่งต้องกลับขึ้นไปเลยเอาไปจัดการเดี๋ยวนี้เห็นไหม ยัง <im undo backstory> บอกว่ายังมาผิดคอสหรือเปล่าอาตมาบอกไม่ผิดเราต้องการคนแบบโยมคนที่มีกิเลสบริสุทธิ์แบบนี้เลยคือกิเลสที่ยังไม่มีธรรมะไปเจือปนเลยนะมาเลยมาเลยอาตมาชอบก็เลยขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการผู้ที่แบบรู้ทุกอย่างนะประมาณเมื่อมาถึงปั๊บพระอาจารย์พูดเลยรู้หมดเขาจะสวดมนต์รู้หมดอาตมาไม่ต้องการ เราต้องการคนที่มีความเป็นคนสุขสุขทุกทุ ก, ทกสุขสุขดิบ ด, ดิบกิเลสบ้างธรรมะบ้างโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างนี่กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นอย่างไห น, นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ใช่ของสังคมไทยนะของโลกของโลกนะเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงภูมิใจเถิดเราเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกไหนเห็นได้ยัง เพราะเหที่กิเลสนั้นเป็นแค่แขกที่จรมาแต่เพราะขาดการบริหารจัด ก, การกิเลส ท, ที่ดีโลกนี้จึงกลายเป็นชุมชนของคนมีกิเลสกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งในร่มอารามกิเลสก็แทรกตัวเข้าไปทั้นั้นบ้านไหนเมืองไหนที่เต็มไปด้วยคนที่มีกิเลสมากมายบ้านนั้นเมืองนั้นก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่จบไม่สิน้น คนยอมพอจะนึกชื่อบ้านนั้นเมืองนั้นออกไหมนี่แหละคือสถานการณ์ที่สะท้อนว่าเราจะต้องเรีย บ, บริหารจัดการกิเลสกันเร็วเท่าไหร่จะมีผลดีต่อประเทชาติบ้านเมืองเรามนุษยชาติทั่วทั้งโลกเร็วเท่านั้นเพราะธรรมชาตมองอยู่เสมอว่ากิเลนนั้นเขาไม่ได้มีทิศมีภัยอะไรมากมายแต่ที่มีทิศมีภัยทําให้เราทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้จักการบริหารจัด ก, การเขาเท่านั้นเองกิเลสอุปมาเหมือนไฟ ไฟนั้นถ้าเราบริหารจัดการดีคุณเยวเอาหงหาหานได้ใช่ไหมต้มน้ําได้ให้แสงสว่างได้ทําอะไรต่อนีอะไรได้ร้อยแปแต่ถ้าคุณเดียบริหารจัดการไม่ดีเปลวไฟเล็กๆ เ, กเกน็ตเดียวเผาบ้านเผาเมืองก็ได้เผาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราก็ยังได้ฉะนั้นกิเลสจึงเป็นเหมือนไฟแต่มีวิตนิภายมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบการบริหารจัดการจรึงอยู่เราอาจจะไม่สามารถตัดกิเลสได้เบ็เ็จเ ด, ดขาด แต่เราก็ไม่ควรตกเป็นทาสของกิเลสเต็มเวลามันจะมีบางช่วงบางเวลาบางนาทีบางชั่วโมงที่เราเป็นฝ่ายขึ้นมาบริหารจัดการกิเลสบ้างไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสครอบงำเราชั่วนาตาปีครูของกระดมาท่านบอกว่าถึงแม้เราไม่มีความสามารถที่จะดักกิเลสได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้มีนิพพานชั่วคราวก็ยังดีฉะนั้นคอสบันดทาและนาปฏิบัติครั้งนี้ก็หวังเช่นนั้น เบื้องต้นเราหวังว่าให้ทุกท่านได้เรียนรู้จากโฉมหน้าของกิเลสว่เาเขามีรายละเอียดยังไงจุนอ่อนจุดแข็งของกิเลสอยู่ตรงไหนแล้วก็ในบรนปลายก็หวังว่าทุกคนจะสามารถเป็นผู้ที่บริหารจัด ก, การกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยทั่วกันถ้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าถ้าไม่ปีหน้าก็ปีต่อๆไปปีต่อๆไปยังไม่ดีก็เจอกันชาติหน้าอีกเทคคอร์ course, เรียนวิชาการบริหารจัด ก, การกิเลสกันไปทุกพบทุกชาติ นี่แหละคือภาพรวมของคอสต์กา a ์เดตแมネจเมนต์ที่ตนานภาคคิดจัดทำขึ้นเพื่อมองเห็นแล้วว่ากิเลสนั้นกำลังครอบโลกถ้าเราปล่อยให้กิเลสครอบโลกความสุขก็จะหายไปจากใจเราฉะนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายบริหารจัด ก, การกิเลสพื้นที่ในจิตใจของเราก็จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขมากกว่าความทุกข์คำและความก็เป็นอย่างนี้ที่ขอทาความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วประการต่อมาคอสนี้จะยาวหครั้ง จะอยู่ครบก็ได้จะอยู่ไม่ครบก็ได้ทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะบางทีบางคนฟังไปสองครั้งอาจจะบรรลุทั้งที่สามไม่ต้องมาถ้าบรรลุแล้วไม่ต้องมาเพราะฉะนั้นไม่มีข้อผูกพันอะไรนะแล้วก็มีผู้ถามมาถมาภาพว่าพระอาจารย์จะมีประกาศสนียบัติไหม <c oughs> กิเลสตัวไหนที่มันถามก็เลยจะไม่ให้ เพราะอะไรกิเลสตัวที่อยากได้ประกศาศนียบัตรเนี่ยเป็นกิเลสที่เรียกว่ามานะหรืออัตตาอีโก้นั่นเองมันอยากได้ไปอวดคนอื่นฮนะเพราะฉะนั้นเราก็ดับมันซะถ้ามันอยากขึ้นมาตกหัวมันลงท่านวอรไม่ให้หรอกไม่ต้องเอาทีนี้คนที่อยากได้ประกศาศนียบัตรก็อาจจะหายไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะคอสนี้เราจะคัดกันไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้เหลือตัวจริง ให้เหลือตัวเจงเพราะฉะนั้นกิเลสแมネจเมนต์ไม่ได้หมายความว่าจะจัดการเฉพาะความโลภความเกลีดความหลงความพิษยสียความตายแล้วก็ความทุกขนะ์ไม่ใช่แค่นั้นระหว่างที่เราจัดคอสนี้ไปเรื่อยๆกิเลสตัวไหนโผล่มาแต่ท้าวก็จะหาวิธีขจัดไปเรื่อยๆดูซิว่าเราสามารถทําดีเพื่อดีได้ไหมคุณสามารถยับยืนทําความดีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมารองรับว่าฉันเป็นคนดีและฉันทําดีได้นะม ทำดีแล้วทิ้งกล้าไหมลองดูนะลองดูเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกิเลา ข, ของเราเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คุณจะเรียกร้องอะไรก็เรียกร้องได้หมดแต่อาตมาจะไม่ตามใจหรอกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติไปด้วยในตัวดังนั้นคอร์สของเราก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเช่นวันนี้วันแรกก็เอาของว่านไปก่อนให้พบกับอาตมา ครั้งที่สองก็จะลึกขึ้นไปอีกหน่อยคุณนายอาจารย์เจ้าฉายก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ก็จะมาพูดลึกไปอีกนิดนึงครั้งที่สามถึงขั้นเอาจิตเอาใจมาวางข้างหน้าเราว่ากันทีละคนกับพระอาจารย์ประมโม่ปราโมช่อครั้งที่4อาจารย์กัมพลทองบนนุ่มคนที่แช่งให้ตัวเองตา ย, ยสิบกว่าปีแล้วมันไม่ตายและตอนนี้รอบตายก็ะจะพูดเรื่อง พุกสิกว่าปีเช่นให้ตงตายแล้วทําไมมันไม่ตายแล้วรอดมาได้ไงก็จะลึกลงไปทั้งที่ห้าพระอาจารย์ไพศาลนิสาโลท่านอาจจะเอาลงมาด้วยเลยเนี่ยมันจะลึกไปอย่างนี้นะแล้วกังสูนท้าท่านอาจารย์ชยันสารโรก็จะเลึนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจริญพรเชิญชวนให้ฟังให้ครบทั้งหกครั้งอาดมาก็หาท้าหายไว้ตรงนี้ว่าเมื่อครบทั้งหกครั้งหลายคนจะเปลี่ยน สนคนที่ยังไม่เปลี่ยนไม่ต้องตกใจเปลี่ยนหน้าแต่มาจะจะเอ็นะก็ให้มาทีนี้วันนี้เนี่ยในส่วนของธรรมะข้ามกําหนดให้พูดเรื่องการบริหารจัดการความโลภแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องการบริหารจัดการความโลภขอแสดงเิียงเขียวให้ดูทั้งหเรื่อง 1. การบริหารจัดการความโลภนี้ธรรมะขาพจะพูดเองสองการจัดบริหารจัดการความโกรธคุณดานัยอาจารย์เจ้าฉายจะพูดเองเรามาดูกันก่อนว่าความโกรธรุนแรงขนาดไหน มีคุณโยมคนหนึ่งมาเล่าให้แต่มาภาพฟัง่งเป็นลูกท่านหลานเธอนะคุณโยมนะวันหยุดสุดสัปดาห์ยาวอาทิตย์หนึ่งพ่อแม่ลูกขับรถรถเก๋งฮนะบบเบร็มเร็วไปพักที่คอนโดที่พัทยาระหว่างรถเล่นชิวออกจากกรุงเทพเลยบางนาไปหน่อยจู่ๆก็มีรถสิบล้อบรรทุกของสามสี่คันเล่นสวนมาแล้วก็หักป่าขึ้นไป ผู้ชายคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นลูกท่านหลานเธอในโกรธมากเหยียบกันเร่งวิ่งสวนขึ้นไปแล้วหัดฉัดความน่าสิบล้อด้วยความรวดเร็วชนิดที่ไม่มีใครคาเคล็เขาเดึงแกะออกแล้วหยิบเปิดลูกสองวิ่งขึ้นไปรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งจอยิงอยู่ที่ขับคนขับรถสิบล้อเรียบร้อยแนละ้วภรรยากําลังกอดลูกอยู่ที่ตันฮะลูกหลับอยู่ในต๋อทิ้งลูกเลยเปิดประตูวิ่งตามขึ้นไป แต่โกนถามว่าพี่จะทำอะไรคำว่าพี่จะทำอะไรเนี่ยเหมือนเสียงะระลังหมดยกดังขึ้นนะผู้ชายคนนั้นตัวชาไปทั้งตัวเลยนะลดมือลงลดปืนลงคนขับสิบล้อสันจนปากคอนะพูดอะไรไม่ได้เลยสั่นเป็นเจ้าเข้าผู้ชายคนนี้ก็สั่นจนเหงื่อออกเต็มมือเลยนะพรนยุาดึงแขนจูงกลับมานั่งในรถผู้ชายคนนี้ขับรถต่อไม่ได้พันธยาขับแทน ในระหว่างนั่งรถไปด้วยกันนั้นพันธยาถามว่าที่จะทําอะไรทามีบอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปได้ยังไงนี่เป็นครอบครัวของลุงท่านหลานเธอซึ่งนามสกุลดังมากท่าแต่มาภาพพูดมาในพุ่งนี้เป็นข่าวได้เลยนะ <c oughs> คุณทุกท่านต้อรู้จักแน่แน่เป็นไฮโซเลยที่เราให้ฟังพื่ที่จะบอกว่าคุณโยมเห็นอารภาพของความโกรธไหมกีค่คนแล้วแหะที่พอความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรไม่ทันน่ะ แล้วก็ลั่นไกลทไร้ายคนอื่นออกไปนี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงถ้าผู้หญิงตั้งตัวไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ไม่ไปตะโกนเตือนสามีนะบันนี้สามีก็อยู่ในคุกหรือไม่ก็ถูกประหารคนขับรถสี่ล้อก็สมองกระจายความโกรธมีพลังรุนแรงขนาดนี้ต่อไปไปดูความหลงความหลงนี้รุนแรงขนาดไหนคุณยอมในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระรูปหนึ่งเป็นพระบทใหม่ เราวันหนึ่งไปเินทบาทกับพระเพื่อนด้วยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาตักบาทและผู้หญ in ิงคนนี er. ้สวยที่สุดในประเทศอินเดียโบราณเธอชื่อนางสีรีมาวันที่เธอมาตักบาทนั้นเป็นวันที euh, ่เธอป่วยหนักมือซีดกับข้าตักบาทพระใหม่รูปนั้นมองเห็นมือนางสีริมาซู้ยเหลือเกินกลับมานะเอาบาทวางบนเตียงแล้วนอนป่วยเลยฉันไม่ได้สามวันสามคืนจนเพื่อนมาเห็น เพื่อนบอกว่าท่านเป็นอะไรทำไมจึงป่วยปุบปรับอย่างนี้พระรูปนั้นก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะให้ผมหายป่วยท่านไปเชิญคุณโยมสิริมามาเยี่ยมผมท่า น, นก็บอกว่าอ๋อท่า น, นติดใจคุณโยมสิริมาเหรอนี่ขนาดวันนั้นนะคุณสิริมานี่ป่วยนะท่า น, นนะเป่นขนาดป่วยเหรอขนาดป่วยยังมีเสน่ห์รัดรึงตรงใจพระรูปนั้นถึงขนาดนี้ไม่กี่วันต่อมานางเิริมาก็ตาย พระพุทธเจ้ามีรับสั่งเก็บสมไว้หนึ่งอาทิตย์ตลอดเวลานั้นพระรูปนั้นไม่เคยรู้ตัวหนังหนาสหัสเพราะว่าสอนรักปักสสวงเข้าไปเต็มเปล่าพอครบเจ็ดวันสมนางสิริมาขึ้นเอิดวางอยู่บนเชิงตะกอนพวกหนอนพวกน้ำเหลืองเมื่อใครไหลออกจากทวารทั้งเก้าเินเหม็นทรงความเหม็นฟุ้งออกไปเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร พระพุธองค์พอครบเจ็ดวันน ะ, สะเสด็จพุทธดําเนินไปที่สุสานพร้อมพระราชามหากษัตริย์ชาวเมืองทั้งเมืองไปแต่ก่อนจะไปนะัะ้ะโรเมร์รับสั่งให้พระรูปนั้นไปด้วยพระรูปนั้นพอเพื่อนมาบอกว่านี่ท่านพระพุธองค์จะไปเยี่ยมนางสิริมาจะไปไหมหลีตนานลุกขึ้นเหมือนส่งนะ้ําลนะยิ้ ม, มตามหลังพระพุธองค์ไปได้ยินชื่อสิริมาท่านนั้นหายไข้เลยพอไปถึงเห็น สร้างศพสร้างหนึ่งนอนอยู่บนเชิงตะกรท่านก็นั่งดูอยู่เบื้องพระพิสดารของพระพุทธองค์นะพุทธอ์ก็บอกว่าเอาละทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเปิดประมูลได้นางซีเรมานั้นเป็นหญิงโสเพนีชื่อเต็งนก็คือนครโสเพนีนครโสเพณีนั้นมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับนางสาวไทยทุกบา้านทุกเมืองในสมัยโบราณจะต้องมีใครจะได้ร่วมมาพิรมกับนางซิริมาหนึ่งพืนต้องใช้เงินประมัณแสงกหาปณะนะ ประมาณแสนบาทซึ่งก็ยังน้อยกว่านางคณิกาที่อดีตผู้ ว, ว่ารับนิวยอร์กไปร่วมมาพิรมด้วยคุณยมดูพรีอันนั้นสนะองแสนเจ็ดต่อหนึ่งคืนซิริมายังถูกกว่านะแค่แสนเดียวฉะนั้นคนที่คาตัวสูงขนาดนั้นก็มีจริงๆนะพอทุกคนพร้อมหมดนะพระสงฆ์พร้อมค้าราชกาพร้อมพระราชามหากษตรสัดพร้อมเจ้าหนที่ออกไปยืนกลางแจ้งแล้วก็ประกาศขึ้นมาว่า คุณยมศิริมานั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในนครมีแต่ชนชั้นนําและชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ร่วมมาพิรมกนันนางบัดนี้นางสิ้นชีวิตแล้วทางราชการเห็นว่าทุกคนควรจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากความสวยของนางศิริมาเอาละใครอยากร่วมมาพิรมกับนางศิริมาเชิญวางเงินลงเลยหนึ่งแสไม่ใช่แค่ร่วมมาพิรมหนึ่งคืนแต่ทางราชการยกให้หน่อยเริ่มที่หนึ่งแสน เงียบแล้พระโด่งทรงหันไปชมเรือมองพระล่มจับตาเจ้าใช่ซิริมาแน่เลยนะหนึ่งแสนไม่มีใครประมูลลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดลงมาห้าหมหนึ่งมเกาพ0 0 0 1 0พ0นเจ0ดพันห้าพันหนึ่งพสองพันห้ารอหนึ่งร้อจนกระทั่งหนึ่งกระหาปันะขึ้นหนึ่งบาท ไม่มีใครแสดงตัวประมูลแม้แต่คนเดียวตลอดเวลานั้นพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งพระรูปนั้นทอดตามองอยู่และจิตก็สอนจิตว่าจิตของพระรูปนั้นก็สอนจิตของตัวท่านเองนะว่านี่หรือคือรูปร่างสังขารที่เคยทำให้คนกระสันกันทั้งเมืองแต่บัด น, นี้แม้แต่จะยกให้เปล่ายังไม่มีใครปรารถนาสังขารช่างเป็นอัน็ จ, จังแปลงูทานเสร็จบรรลุธรรมคาที่นั่งเป็นพระสสดาบัณ นี่คือความหลงถ้าพระพุทธองค์ไม่เป็นนักบริหารจัดการความหลงพระรูปนี้จะตามนางสิริมาไปถางไหนคำาพบคมชาติได้นะนี่คือความหลงถ้าได้หลงแล้วเนี่ยมันไม่เลือกหรอกว่าเป็นพระเป็นโยมใจของคนนี่มันติดไฟแดงเมื่อไรล่ะเวลากิเลสมันมาทิ่มเข้าไปที่ในใจปักเ น, นื้ทันรู้เลยรู้ใจของเราเนี่ยไปติดเนื้อต้องใจ ใครหรืออะไรเขาก็ตามมันก็จะลุบไปเลยไม่ติดไฟแดงไม่หยุดวันนักกัตเรอร์กิเลสทํางานตลอดเวลาเห็นไหมยังนี่คืออานุภาพของความหลงความหลงมันมีมากกว่านี้นี่คือตัวอย่างแค่นี้ความโลภเดี๋ยวตัมมาภาพจะพูดนี้ค่ามความโกรธก็พูดไปแล้วความหลงก็พูดไปแล้วต่อไปความทุกข์ที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีคนมีความทุกข์มากมายเพื่อนีคนเยมีมคนหนึ่งไปหาตัมมาภาพแล้วถวายสังฆทานแล้วก็ร้องไห้ จนนันตมภาพต้องถามว่าคุณโยมมาวัดเพื่อที่จะร้องไห้ใช่ไหมที่นี่ต่างกับร้องที่เบื้องตรงไหนจะรักไม่พรเนี่ยลูกสาวก็เลยสอดขึ้นมาว่าพระอาจารย์แม่ก็เป็นเสียอย่างนี้ทุกปีวันนี้จะเป็นวันที่แม่ร้องไห้ตมาภามว่าโยมร้องไห้ทำไมคิดถึงคุณผู้ชายเจ้าค่ะทำไมคิดถึงเขาเขาเสียแล้วเจ้าค่ะ กีปีอะโยม13ปีลูกเลยบอกว่าพระอาจารย์คะวันพ่อเสียคือวันสามีแห่งชาติ <c oughs> อาจารจึงบอกว่าคุณโยมรู้ไหมมนุษย์ตายทันทีที่เกิดตานนี้อดีตสามีของคุณโยมเกิดใหม่ถ้าเป็นคนเป็นผู้ชายก็มีกิ๊กได้แล้ว <c oughs> คุณโยมมานั่งกอดอดีตทำไมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าที่ทุกมาทั้งหมดเป็นทุกพระเสียข้างโง่คุณโศกเศร้าถึงคนที่ตายแล้วเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่เคยสนใจคุณด้วยซ้าไปท่านทีที่ตายห้องเกิดแล้วแต่มนุษย์ที่ยังสลัดความหลังไม่หลุด น, นะปล่อยให้อดีตมากรีดปัจจุบันและในโลกนี้มีคนชนิดเช่นนี้อยู่กี่คนคุณยอมเิดดูสิหนังสือรีเดอร์ไดเจสฉบับล่าสุดมีสาระก็ดีเรื่องหนึ่งที่อัตามาภาพอ่านแล้วสะเทืนใจมากในช่วงสงครามกัมพูชาที่เขมนแดงมีทิพยพบริหารบ้านเมืองผู้ชายคนหนึ่ง เขามีครอบครัวแล้วก็มีพี่น้องเยอะแยะมากมายเป็นสิบคนอยู่มาวันหนึ่งทหารของขมนแดงมาจับทุกคนในครอบครัวไปแล้วฆ่าทีละคนคุณยอมเชื่อไหมเขาฆ่ายังไงเขาขุดหลุมเอาปลูวหรือจอบนะคุณยอมนะฟาดกระมมงแล้วผลักลงหลุมเริ่มที่พ่อเขาก่อนพ่อแม่พี่น้องอีกเก้าคนถูกรพวกฟาดโยนลงหลุพวกฟาดโยนลงหลุพวกฟาดโยนลงนลงุ เขาเป็นคนสุดท้ายผู้อาฆากำมั่ปุ๊บถีบลงไปทหารก็หนีกลับไปสักพักหนึ่งก็มีศอบอื่นีกประมาณสิบสบนะถูกทําเช่นเดียวกันนอนลงในหลุมทั้งหมดผู้ชายคนนี้คนเดียวที่ยังได้สติคืนนั้นเขาตะกุยตะกายขึ้นจากหลุมเล่นรอดหนีออกมาได้รักษาเนื้อรักษาตัวจนกระทั่งไปอยู่อเมริกาแต่รับการศึกษาจบป ร, ริญญาตรีถ อ, เ, อเรียบร้อยแล้วความแค้นฝังอยู่ในใจ สุดท้ายขอกลับอยากจะกลับมาที่กัมพูชายครั้งหนึ่งตั้งเป้าจะรับราชการตำรวจเหตุผลมีเรื่องเดียวพกปืนได้และจะตามฆ่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็มาเจอจริงๆแต่ก่ที่เขาจะมาเจอคุณยอมสิบกว่าปีที่อยู่เมืองนอกผู้ชายคนนี้นอนไม่หละ่ะทุกๆุคืนภาพนั้นจะฉายซ้ำในช่องไหนคุณยอมรู้ไหม ช่องไม้ชานอลช่องหัวใจนี่มันใช้รีรันทุกคืนผู้ชายคนนี้กินไม่ได้นอนไม้หลับยา ก, กลับมาฆ่าสุดท้ายก็นั่งข้างเบนหมาเราเจอศัตรูจริงๆเขาฆ่าไม่ลงสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนกันแล้วเขาว่าเขียนเรื่องนี้มาเล่าเพื่อที่จะบอกว่าความทุกข์ที่เขาเก็บมายี่สิบกว่าปีนั้นมันจัดการได้แต่กว่าจะจัดการได้เขาแทบล้มระดาตาย ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าบำบัดผู้ชายคนนี้ถ้ามาเจริญนิพพานากรรมฐานนะอาจามาให้เวลาสามวันรู้เรื่องเลยสลัดได้เลยเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนถ้าครูบาอาจารย์ที่เจ๋งๆอาจจะวันเดียวก็ได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นครึ่งวันไม่จนเป็นจะต้องแบกทุกเป็นสิบปี2ี่สิบปีก็ได้ตัวไปการบริหารจัด ก, การความตายเป็นประสบการณ์ตรงเมื่อเร็วๆนี้แหละ อาตมาภาพไปบรรดาที่จังหวัดภูเก็ตลูกศิษย์ก็เอาโทรศัพท์มาให้อาตมาใช้บอกว่ามีคนโทรมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของลูกศิษย์เลยนะคุณยมนะมีรูปหมาของอาตมาอยู่โทรศัพท์เสร็จผู้ปอาตมาก็เห็นรูปหมาของอาตมาอาตมาบอกลูกศิษย์ว่าเออหนิเดี๋ยวกลับกรุงเทพ์ว่ารูปนี้ไปอ่านให้หน่อยนะเป็นรูปที่ดีที่สุดที่เขาเคยถ่ายไว้เพราะกลับกรุงเทพ์ปุ๊บอาตมาภาพเจอลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอาตมาก็บอกนี่หนูมานี่สิติดต่อไปทางจ m หน่อย ปีที่แล้วเขามาสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วเขาถ่ายรูปพระอาจารย์กับหมาคู่กันไว้เยอะมากอะไอขอฟิล์มเขาหน่อยนะแล้วอามาอัดให้พระอาจารย์หน่อยคุณยังคิดดูนะร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะอัดรูปหมาใส่กลรอบนะวันรุ่งขึ้นอตัตารยภาพนั่งเครื่องไปเชียงรายพี่สาวมารับพี่สนําเบนบอกว่าเออนี่หมาเขาไม่สบายนะพี่เอาไปโรงพรยาบาลละอัจารย์ภาพก็ไปเยี่ยมเขาเยี่ยมเนี้ยนะคุณยมเนึ่ยเขาแทบไม่เลีมตาแล้ว ปกติเนี่ยหมาพันธุกระเด็นเนี่ยนะเห็นคนมันกระโดดเลยขนาดอาจมาพัดไปบินนะบาดกลับมานะอุ้มบาดอยู่มันกระโดดบาดรุ่งเลยะทีนี่เห็นอาจามาปุ๊บเดี๋ยวเนิ่งเลยนะตาเขาเนี่ยไม่ลืมแล้วแต่มันก็ไปลุกหัวบอกว่าลูกทีนี่มันโรงพยาบาลรัฐเดี๋ยวพ่อได้ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะลูกนะจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยย้ายเขาไปในระว่างย้ายโรงพยาบาลอาจมาพัด ไ, ไปซื้อลูกบอลเล็กๆให้เขาลูกนาว าปกติเนี่ยตันไปไหนมาตัมาจะซื้อของให้ซื้อลูกบอลให้ลู ก, เ, ลนกเนี่ยให้เขาเล่นปกตินี่ก็จะคาบลูกบอลตลอดเลยนะพอสี่ทุ่มคืนนั้นคุณหมอก็โทรมาพระอาจาร์อาการของหมาพระอาจารย์ในถ้าจาร์ไม่เดินพระอาจาร ย, าจารย์จะมาดูใจไหมผมกลัวเขาสวรรโคตคืนเนี่ยคุณหมอนี่ก็ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกพรรู้ว่าเป็นหม า, าตมา เคยเจอตะมาแต่ทางทีวีแล้ววันหนึ่งตะมาก็โผล่เข้าไปคลินิกอย่างนี้ตกใจจนรักษาหมาไม่ถูกกลัวหมาตะมาตายก็เลยโทรมาบอกว่ากลัวหมาจะสวรรค์โคตรตะมาบอกว่าคนโยมเอาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละวันสี่ทุ่มครึ่งหมอก็โทรมาสาววิ่งเข้าห้องบอกว่าพระอาจารย์คะหมอตายแล้วพี่ก็ตะลีตะเหลือกมานะ อาตมาเลยถามว่าหมอหรือหมาหมาหมาตายแลย้วพี่ก็ถามว่าจะไปรับไหมอาตมาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปพี่สาวอาตมาภาพาเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนนะคุณผูมนะเสียใจจนร้องไห้แต่อาตมาภาพานี้ก็แค่รับรู้รับรู้ว่าเขาตายถ้าไม่ได้เรียนเรื่องความตายมาก่อนอาตมาก็คงจะร้องไห้นะคุณผูมนะยิ่งตอนที่เราไปรับศพเข้ามาเนี่ย หมาตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอาจจะมากกว่าตระมานะเพราะตระมาคับอุ้มเขาไม่ไหวตัวโตน่ะสูงขนาดบ้านเอวเนี่พอกลับมาเนี่ยคุณยมอยู่ในรังใบเดียวและบนรังนั้นมีลูกบอลหน่งลกูกหมอเอาสกอตเทปพันไว้แล้วก็เขียนชื่อลูกบอลเจ้าเอ้าโปชื่อหมาเขาที่สาวตระมาคาพพอไปรับหมาเนี่ยจากหมาที่เคยร่าเริงสดชื่นแจ่มใสเลือดอยู่ในกล่องใบเดียว สาวกพี่เขยตัณมภาพหามหมาขึ้นรถแทบไม่ไหวข้ออะไรน้ำตาร่วงเช้าวันรุ่งขึ้นตัณมภาพไปทําบุญที่วัดทั้งพระทั้งโยมทั้งวัดพากันหัวเราะที่ตัณมาภาพทำบุญให้หมาเพราะอัณมาภาพเขียนในชื่อเจ้าภาพพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีที่ส่วนกุศลให้เจ้าเอาโปวชิระเมธี <c oughs> มุ่งเล็บบนถึงคือนามสกุลของอาตมา อาตมาให้เขาใช้นามสกุลร่วมกับอาตมาพระก็ให้พรไปขำไปบอกว่าเอาจริงใช่ไหมตาตมาบอกจริงถือว่าเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับสองของกุฏินะคือเขาอยู่กับตามามาเจ็ดปีเวลาตามาไปต่างประเทศลูกศิษย์เปิดเทปซีรีของอาตมาภาพทิ้งไว้เขาฟังแล้วก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันมาก็มีความผูกพันไม่น่เชื่อว่าตามาภาพจู่การที่อยากอัดรูปหมา แสดงว่าหมาเขาคิดถึงตมาไหมตมาภาพขึ้นไปคืนนั้นก็ตายเลยแสดงว่าเขารอตอมามาทั้งอาทิตย์นะคุณดอนนะพอขึ้นไปปุ๊บเหมือนกับให้อาตมาภาพนะ่ะไปตัดริบบร้นให้เขาไปอยู่เมืองนอกไปจริงๆทําตายมันอยู่ไกลตัวเราไหมนี่เดียวแล้วเมื่อสองวันก่อนนี้เองอาตมาภาพรับแขกอยู่ข้างล่างที่สถาบันวิมุตตยาลายัยจู่ๆลูกศิษย์ก็แทรกแขกเข้ามาพระอาจารย์มีข่าวร้ายว่ามาสิ แม่ของน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตนี่เป็นผู้ช่วยเลขานุกาตานานะเสียแล้วเสียเมื่อไรตอนเที่ยงเนละตาาค์มันรึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนคืนก่อนหน้าที่จะได้ฟังข่าวนี้ตานาภาพฝันว่าฟันร่วงฝันตรงนี้ใกล้ๆฝันกลารงร่วงตื่นขึ้นมาตานาภาพรู้เลยว่าคงจะเสียญาติผู้ใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนไหนนะยังไม่ทันได้โทรศัพท์ไปเตือนเลยข่าวร้ายก็มาก่อนปกติตานาคจะเป็นคนที่ฝันเรื่องพวกนี้ แล้วก็เาสินี้จะแม่นมากนะธรรมาก็จะเตือนก่อนทุกครั้งเวลามีอย่างนี้นะจะเตือนแต่ครั้งนี้เตือนไม่ทันแม่เขาก็ไปหน้าเศ้าตรงไหนคุณยอมรู้ไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตมาภาพกลับไปบ้านคุณแม่ของหลานตมาคนเนี้ยจัดสำรับกับข้าวมาถวายตมาทุกครั้งที่กลับเชียงรายนะเขาจะเป็นคนที่จัดสำรับกับข้าวยกมาประเพรย์ตมาทุกครั้งไม่มีมีแววว่าจะล่วงลับดับคันทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีมีแววอะไรเลยนะ คุณยายไปอยู่โรงพยาบาลครึ่งเดือนพากันไปรับคุณยายออกมาพักฟื้นที่บ้านลูกสาวคุณยายสี่คนนอนเฝ้าคุณยายพี่น้องนะคนเดิมนะคุณแม่นอนอยู่บนเตียงลูกสี่คนนอนเฝ้าอยู่หน้าเตียงเรียงกันเป็นตับประมาณสักสามโมงเช้าเนสามงเ้าสี่มงช้ า, ชาดูแลแม่เสร็จแล้วก็นอนเฝ้าอยู่ประมาณเที่ยงนึงน้องคนใดคนหนึ่งตื่นขึ้นก็ปลุกกันตื่นขึ้นมาทานข้าวเที่ยงมาเรียกคนคนเนี้ย ตื่นตื่นตื่นตื่นนไม่ตื่นดูอีกทีหนึ่งแขนเย็นแล้วสแสดงว่าหลับแล้วก็ไปหน่อยแม่ซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอาการเจียนอยู่เจียนไปยังไม่ไปลูกที่เฝ้าแม่ไปก่อนตกอก ต, อ ก, ตกใจจนเศร้ากันทั้งบ้านทำอะไรไม่ถูกอะ่ะไม่มีสัญญาณเตือนลูกนหน้าเลยยอมดูซิเนี่ยความตายมันไกลตัวเราไหมจะมาก็มาจะไปก็ไป ปรับเกิดขึ้นได้ตลอดเลยลือเรื่องความตายต่อไปคือความริษยาความนิษยานั้นแทบจะไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะสังคมไทยนั้นโดดเด่นที่สุดในเรื่องริษยาเด่นที่สุดเลยในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่คนไทยปฏิบัติได้ไ ด, ดีที่สุดคือริษยาบางทีที่ท า, ทายางประกาศว่าจะโกอินเตอร์คนนั้นก็มีชมรมเปียดทายาตั้งขึ้นใครที่เป็นคนไทยแล้วเก่งๆนะคุณยอมนะ ถูดริสยากันทั่วหน้าเห็นหรือยังว่าความริสยาณนะั้นมันแรงขนาดไหนเรื่องริสยานั้นไม่จําเป็นจะต้องยกตัวอย่างเอาจากในละครก็ได้เดี๋นี้นาะงเอกหลายคนนะคุณจู้ชมนะพันตัวไปเล่นเป็นนางร้ายผสิทธิ์อัตลัาภาพคนหนึ่งคือคุณกิ๊กมยุรินต้องพูดพันเล่นเป็นนางเอกสองเรื่องแล้วไม่ดังพันเไงไปเล่นเป็นนางร้ายเธอบอกว่าโชคดีที่สุดเล่นด้วยสงครามนางฟ้าถูกฟอ้องเอยอิจฉาจริง บอกว่านางเอกเมืองไทยนะคะพระอาจารย์นู้นตบมาเกือบครบทุกคนละค่ะ <c oughs> แล้วดูละครเรื่องนางธาตสิที่ดังที่สุดไม่ใช่นางเอกนะ <c oughs> คือใครคุณสารีใช่ไหมกับคุณบนเมย์นี่สยามซะจนได้ดิบได้ดีไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นละครยังไงคนไทยก็จะเป็นอย่างนั้นทิ่สยามนั้นคือไฟสมขรนที่อยู่ในใจเราทุกคนนิตภาพก็พูดเกลื่อนให้ฟังว่าเอาละกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวที่พูดมาทั้งหมด เป็นกิเลสระดับหัวหน้าพักาภาษาพระเรียกว่ากิเลสระดับอากูศนลมูลคือเป็นรากเงาของบรรดากิเลสทั้งหลายวาดภาพรวมให้คุณยมดูทีนี้เราจะมาจอดลึกละความโลภเป็นยังไงความโลภนั้นมีหลายๆชื่ออวตารไดห้หลายปางนะความโลภบางครั้งอวตารเป็นราคะคือดำด้นาหมกมุ่น ในทางกรรมรมก็คือความรักนั่นเองนะคำว่ารักเนี่ยแผลงมาจากคำว่าราคาราคาราคาราคาเรียกติดกันเร็วๆกลายเป็นรักเห็นไหอยังบางครั้งความโลภอวตารไปเป็นความรักถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็ฆ่ากันนะบางครั้งอวตารมาเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นชื่อว่าตันหาเห็นไหอยัง ตัณหาคือความอยากนั่นเองและบางครั้งก็แสดงตัวในฐานะเป็นตัวจริงเสียงจริงก็คือความโลภฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพถ้าพูดถึงความโลภจะหมายรวมถึงกี่ล่สามตัวนี้แต่จะเจาะจงไปที่ความโลภซึ่งกําลังกระทุษร้ายสังคมไทยเอาความโลภในเชิงวัตถุ ก, ก่อนส่วนความโลภในเชิงราคาอันนั้นให้ก่อนเพราะธรมภาพไม่มีประสบการณ์เก็บไว้ให้ผู้มีประสบการณ์พูด ความโลภในเชิงวัตถุเช่นโลภทรัพย์สินสมบัติโลภเข้าของเงินทองโลภในยรศ่สักกระฐานทั้งหมดนี้บางครั้งก็เรียกชื่อว่าตัณหาก็ได้ความโลภนี้แค่ไหนจึงจะพอดีแค่ไหนจึงจะเป็นอันตรายความโลภในระดับปกติที่ทาให้เราอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างนี้เป็นความโลภโลภทำธุรกิจแล้วอยากได้กาไรก็เป็นความโลภมันจะเป็นความโลภที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ ให้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ได้จะเป็นความโลภที่อันตรายก็ต่อเมื่อเป็นความโลภเกินความพอดีซึ่งภาษาคลาท่านใช้คําว่าอภิา ช, ชาวิสมะโลภะแปลว่าความโลภเกินที่กัดซึ่งความโลภเกินที่กัดนี้เองที่ทําให้เราเดือดร้อนโลภธรรมดาเช่นอยากได้เสื้อมันสวมสักตัวหนึง่งอยามีเงินสักจำนวนหนึ่งเพื่อมาเล้นปากเล้นท้องจะมีโรคสักการหนึ่งเพื่อเป็นภารนณะ ระดับนี้เป็นความโลภที่ทางพุทธศาสนาก็พอรับได้แต่ความโลภที่เกินวิกฤตเกินบ้านเกินเมืองอย่างนี้แหละเป็นความโลภที่เราจะต้องมาบริหารจัดการกันในเมื่อความโลภนั้นเป็นกิเลสที่ทําให้เราอยากได้ไม่รู้จดนะเวลาเราจะบริหารจัดการเขาเราจะทํำยังไงจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของความโลภธรรมชาติของความโลภเป็นยังไงธรรมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมากพระพุทธเจ้าทรงนํามาเล่าอาตมาพัดนำไปเล่าที่อเมริกา พระดังเขาบอกว่าพระนอาจารย์นี่คือจุดเริ่มต้นของพุทธเรษตศาสตร์ทำไมพระพุทธเจ้าสอนเศษรษฐศาสตร์ด้วยมันดีเหลือก่อนพลังชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้จะสอนธรรมชาติของความโลภคนตอมฟังให้ได้ในสมัยโบราณนาการนี้มีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระองค์หนึ่งพระเจ้ามันทาตมันธาตุนี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่มีทรัพย์สินสมบัติสมบูรณ์ที่สุดในโลกพระชนมายุยืนนานแปดหมืนสี่พันปี เป็นหสี่พันปีนะคนุณผูนะพวกเรานี้อยู่กันมาหกสิบเจ็ดสิบปีนี้เป็นยังไงเปนเกลือนแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นหมื่นสี่พันปีนะอายุห น, นึ่งมื่นี่ยังไปยุคอยู่เลยนะเป็นหมืนสี่พันปีนะพนะระองจะมีพระชนมายุกขนาดนั้นแล้วก็เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่มีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขนพ ล, ลแก้วแล้วก็จัดแก้วรักสินสมบัติของพระองค์นั้นสมบสูรณ์สมศักดิ์ถึงขนาดว่าถ้าอยากได้เงินมาใช้ เดินดําเนินมาในที่โล่งแจ้งเอามือซ้ายปรบมือขวาฝนเงินฝนทองจะตกลงมาสูงทั่วหัวเขาถ้าเป็นสมัยนี้เดินออกไปในที่โล่งแจ้งปรบมือบัต่างๆของวีซ่าบ้างเครดิตการ์ดทั้งหลายตกลงมือให้คุณยอมใช้กันทั้งบัตรเงินทั้งบัตรทองกดไปทั่วโลกไม่มีวงเงินจำกัดก็เริ่มรวยขนาดนี้นะ ขนาดวจะปาหัวหมูหัวหมานี่ใช้เพชรใช้พลอยก้อนเท่ากับปั้น่ะทางป่าถนนหนทางทั้งหลายเลยนะคุณอยอมนะเสริมใหญ่เพชรเสริมใหญ่พลอยไม่ใช่เสริมใหญ่เพชรมืองนมงเมือ ง, งมะลังมะมเหลืองไปด้วยรัศมีของเพชรพลอยและเพชรในจินดาทั้งหมดนางสนมแปดหมื่สี่พันคนคุณยอคยมคิดดูสิในเรืนี้ ใ, น ใ, น ใ, นในครสมบูรณ์รุนตุขนาดนี้ไหมเป็นพระเจ้ากระพับที่สมอยากในทุกๆเรื่อง ไปดูมาวันหนึ่งทรงเบอ่อชีวิตขึ้นมาทรงเรียกปรชุมแล้วก็ถามมหานต์็กว่าในโลกนี้มีใครที่รวยหรือมั่งคั่งเท่าฉันไหมมหัน์เล็ ก, ก็ตอบว่าในโลกนี้เมื่อเราทอดตาม้องไปแล้วไม่ว่าจะประเทศไทยไม่ว่าจะสิงคโปร์ไม่ว่าจะอเมริกาไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะอังกฤษไม่มีใครรวยเท่าพระองค์อีกแล้วพระเจ้ามันั่ก็บอก ในโลกนี้ไม่มีใครมั่งคั่งเท่าฉันแล้วโลกอื่นเรามีไหมมาแล้วก็บอกเมียังมีคนที่รวยกว่าฉันอยู่เลยมีพระเจ้าค่ะที่ไหนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่โน่นมีเทวดาที่รวยมากๆเพราะรู้ว่ามีคนรวยกว่าตอานั้นเลยคนเดิมนะ่ขนาดว่าพร้อมสับอยู่แล้วนะกินเละคือความโลภเกิ ด, ดขึ้นในใจต้อเรียกจักแก้วมาจักแก้วนี้เป็นจักรพิเศษ ก็บอกว่าจัดแก้วพาฉันไปยึดสวรรค์ชั้นที่1เดี่ยวนี้พอจัดแก้วมาก็พาพระองค์และข้าราชบริพารขึ้นไปยึดสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นที่หนึ่งั่นก็มีพระอินทร์อยู่สี่องค์ที่เป็นเท้าเวสสุวรเท้าพระตรถเท้าเวรุนหอะไรต่างๆนั้นดูแลกันอยู่บริหารสวรรค์ชั้นที่หนึ่ ง, น ง, นงเ น, 6, ง น, งนี่นนยเกรงเดชานุภาพของพระเจ้ามันธาตซึ่งเป็นพระเจ้าแตกรัิยึดสวรรค์ลและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ครอบครองฟรีๆโดยไม่เสียเลือดเสียล้ว ถ้าองค์จบหวทยทิศพเยสมบัติของเทวดาจากสวรรค์ชั้นที่หนึ่งทั้งหมดนะแปดหมืนสี่พันปีคิดดูนะครอบครองทรัพย์สมบัติของมนุษย์มาแล้วแปดหมืนสี่พันปีขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแปดหมืนสี่พันปีอยากได้อะไรในแค่คิดก็มีคนจัดให้ทั้งหมดพอครบแ4ดหมืนสี่พันปีพระเจ้ามันทัาบทรงพระเซนอีกแลนะ้วเบื่อมากมาก คือมันร้อมไปเสียทุกอย่างก็ทรงเบื่อนะทงะ่งรัดเซนที่สุดเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความจริงธรรมาเคยพูดหลายครั้งว่าธรรมาภาพมีลูกศิษย์อยู่ลูกศิษของธรรมาภาพมีเป็นเศรษฐะระดับหมื่นล้านอยู่หลายคนมีคนหนึ่งมาเล่าให้ธรรมาภาพฟังบอกว่าอาจารย์ทุกวันนี้ผมเบื่อชีวิตสามวันที่ผมไม่ได้ไปไหนตื่นมาสักสี่โมงผมก็ต้องไปโรงรถแกจะส่งรถโบราณประมาณสักห้าหกสิบคันะ เไปถึงโรงรถก็เปิดกุญแจรถทีละคันทีละคันให้รถคำรามทุกคันเลยเสร็จแล้วก็จะเอารถออกไปขับที่สนามหญ้าทีละคันทีละคันทีละคันเพื่ว่ากิ จ, จกรรมพารถออกไปจับกินงีนั้นเครื่องยนต์เสียแล้วจอดที่ไหนแล้วเกศก็บอกว่าทําไมผมเป็นคนมีกรรมอย่างนี้ <c oughs> วัหนหนึ่งไปแสดงบุญที่อินเดียกับคณะของอาตมา พึงยอมใช่ไหมทาอาหารอินเดียไม่ได้สักอย่างทานอะไรแล้วก็ไปท้องร่วงหมดเพ่อนให้หมวหน้าด่วนไปได้ไข่ต้มมาใบหนึ่งกับน้ำปลาพริกเอามาปรุงให้แกนะอาหารไข่ต้มจิ้มน้ำปลาพริกโอ้ยทำไมมันอาหวยอย่างนี้คุณไปเอาที่ไหนมาเนี่ยอาหารอย่างเนี้ยบ้านเรามีมั้ยเนี่ยพวนี้เป็นพวกเศรษฐีที่ทานปลาทูไม่เคยเห็นกล้าไม่รู้หรือว่าเนี่ยมันจบดพรอาหารเลยนะไข่ต้มหนึ่งใบกับน้ำปลาพริกเนี่ยนะ ข้าวเหียวชิ้นโอสวรรค์รำไรดูซิเนี่ยคือมั่นข้างข้างพร้อมขนาดนี้เพื่อมีรถเยอะขนาดนั้นแกก็ยังบอกว่าเสงห์เห็นไหมันุษยเพราะฉะนั้นมันเซ็งกันได้นะมนุษย์เนี่ยถึงจะมีมากๆก็ต่างเหตุนี้แหละผู้ชายจํานวนมากจึงมีกิ๊กเพราะมีรถเสงมีแล้วมีอย่างมีแล้วมีอีมันไม่พอหรอกนะคุณเติมในสิ่ตันหานึกถึงว่ามันจะแต่ง เิ่มเติมก็เหมือนสารนั้นมันก็ใส่กองไฟทั้งเจ้ามันธาตเหมือนกันเมื่อเทวดาทั้งหลายเอาทรัพย์สินสมบัติมาโกนเปล่ในที่สุดโลาก็ทรงและใส่เรียกประชุมมหาเล็กว่าในเทวโลกยังมีเทวโลกชั้นไหนที่มีผู้ที่รวยและมั่งคั่งคร่ำพรอมมากกว่าฉันมหาเล็กก็บอกว่านี้สวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งมีทรัพย์สินสมบัติชนิดที่ว่าในเทวโลกนี้ไม่มีที่ไหนเทียบ และในมนุษยโล่นี้ไม่มีที่ไหนเที่ยงพระองค์ก็ให้จักรแก้วนําขึ้นไปไปยึดสวรรค์ชั้นดาวฤกษดึงดาวฤกดึงมาจากภาษาบาลีว่าเต็มศักดิ์แปลว่าสามสิบสามทำไมต้องสามสิบสามก็เพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้มีพระอินท์สามสิบสามองค์เป็นเจ้าเข้าครองพอพระเจ้ากับพระองค์นี้ขึ้นไปพระอิน์สามสิสามองค์นั้นฉลาดมากเป็เจราจาสันติภาพก่อนบอกว่าเรามาพบกันทุ่งทาง พระองค์ครองสวรรค์คร ha ื่องหนึ่งเทวดาครองเครื่องหนึ่งหลงหมพระเจ้ามรรทัดตกลงก็ได้ครอบครองที่พเดศสมบัติแปดหมืนสี่พันปีครบแปดมืนสี่พันปีปุ๊บพระเจ้ามรรทัดเกิดตัณหาขึ้นมาในจิตในใจแล้วนะคิดอยู่ว่ามันเรื่องอะไรที่พระเจ้าจักรพรรดิยังฉันมาครอบครองสวรรค์ชั้นระดับดึงแค่เพียงเครื่องหนึ่งทำไมฉันไม่ฮิตอานาจแล้วครองมันซะทั้งโลก่ะ คิดแค่นี้เท่านเองคุณโยมทั้งหลายสวรรค์ชั้นฟ้าไม่สามารถรองรับน้ําหนักของความอยากไม่มีที่สึ่งสุดในใจของพระองค์ได้เฮดานสวรรค์ น, นั้นรับไม่ได้แล้วขีดจํากัดของสวรรค์ น, นั้นหมดแล้วพระโลกนั้นโลกผิดมนุษย์และโลกผิดเทวดานี่คืออภิชาลิสมาโลกะความโลกผิดมนุษย์โลกผิดเทวดาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คนที่เคยโลก ก็มีแล้วในประวัติศาสตร์ของเทวดาคนที่เคยโลกก็มีแล้วแต่เทวดาทั้งหลายในสวรชั้นดาวพฤหัสไม่เคยเห็นมนุษย์หน้าไหนโลกเกินมนุษย์และเทวดาเท่าพระเจ้ามันท่าที่จากัดของสวรรค์ทานน้ำหนักแห่งความต้องการของพระองค์ไม่ไหวท้ายพระองค์ร่วงตกลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวพฤหัสถึงพระราชะอุทยานของพระองค์ที่มนุษย์เสียโลกร่างกายนั้นุสลายเจียนอยู่เจียนไปก่อนจะทรงสิ้นพระชนน์นั่นเอง มีชาวสวนมาพบข้าถามว่าท่านเป็นใครเนี่ยทำไมจึงมานอนทุรนทุรายอยู่ที่นี่พระเจ้ามันธานบอกว่าบอกประชาชนพลเโลกทั้งหลายด้วยว่าฉันคือพระเจ้ามันธาต์อดีตเป็นจักรพรรดิของเมืองนี้ครองราชสมบัติอยู่ที่นี่แปดหมืนสี่พันปีไม่พอใจขึ้นไปครองราชอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแปดหมื่นสี่พันปีก็ไม่อิ่มขึ้นไปครองสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งแปดมื่นสี่พันปีก็ไม่พอใจอีก ฉันก็เลยตกลงมาที่นี่แหละฟานเอาเรื่องราวของฉันไปบอกพวกมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะฉันพยายามที่จะเติมความอยากให้มันเต็มแต่การทา ท, ที่ยังทำไม่เต็มก็ตกลงมาตายเนียก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสะท้อนอะไรธรรมชาติของความโลภเตเจะสะท้อนรรมาชาติของความโลภด้วยการตรัสเอาไว้ว่าอิจฉาอนันต์โพจรความโลภไม่มีที่สิ้นสุดน่ต้องรู้เท่าทนะันน ความโลภไม่มีที่สิ้นสุดนะธรรมชาติของความโลภประ ก, การที่สองก็จะเล่าผ่านชาดกเหมือนกันมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งครองรักกันมาต่อมาสามีตายไปเกิดเป็นหงหงตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผูกพันกับภรรยามากก็บินมาหาภรรยามาทุกครั้งจะไข่เป็นทองคํำเอาไว้ให้ภรรยาความสงสารภรรยาจึงไข่เป็นทองคํา พันยาวไข่ทองคำของสามีไปขายได้เงินได้ทองมาเลี้ยงตัวเองและเ ล, ลี้ยงลูกอยู่ต่อมาสองสามปันลูกสาวก็คุยกับแม่แม่พ่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นหงแล้วก็มาไข่ไปทองคำให้เราอาทิตย์ละทองแม่หนูว่าแทนที่เราจะรอให้พ่อมาไข่ให้เราเนี่ยอาทิตย์ละฟองนะให้พ่ออยู่กับเราไหมเออดีลูก เป็นความคิดที่ดีมากมาะแล้วไงจะให้พ่อเขาอยู่กับเราเวลาเราต้องการไข่ก็ก็ บ, บอกให้เขาไข่เขาก็จะได้ไข่ตลอดเวลาอา น, นี้สิแม่พรุ่งนี้ถ้าพ่อมานะพอพ่อไข่เสร็จจัดพ่อถอนขนเลยรุ่งขึ้นหงทองหงมิเศษก็มาพอมาถึงก็มาไข่ให้พันธุ์ยเป็นทองคําไะไข่เสร็จแล้วลูกสาวรีบเข้าไปจับโถงมัด อ่อนคัต้องแบบหงบินไม่ได้พอาบินไม่ได้ความเป็นหงก็หมดคุณค่าใช่ไหมหงตรองใจตายอย่างน่าเศร้าที่สุดพอหงตรองใจตายพันธุ์ยากับลูกเอาไม้มาชำแหละหงในท้องมีแต่เก้องไหนไม่มีใครท่องคาเป็นที่มาของคํากล่าวที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า โลโก้ธรร ม, มานานังต์ปริปันโหความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามความโลภครอบ ง, งําจิตใจคนแล้วเขาจะอะไรเดียวทำทุกอย่างเพื่อให้สงปรารถนาแม้กระทั่งต้องฆ่าคนที่เขารักเขาก็ทํานี่ธรรมชาติของความโลภประการที่สองนะพอความโลภครอบ ง, งําปับ๊บฆ่าได้นแม้กระนั่นคนที่ตนรักมองไม่เห็นอาจมองไม่เห็นทํา เอาต่อไปธรรมชาติของความโลกประการที่สามอันนี้ขอเล่าเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสมีคนที่เก่งและอัจฉริยะมากมอยู่คนหนึ่งชื่ออหิษสทก์ต่อมาไปเรียนต่อระดับเอ็บีที่มหาวิทยาลัยตากกาซีลาเรียนระดัาภาศาสตันสกฤะพ่อของเขาเป็นกูรูหนึของพระเจ้าประสิทธิี่โกศลนะได้ทุนทิ้กอลลัชชิไปเรียนแล้วเนี่ย เรียนนักเรอกทกวิชาเพื่อนเพื่อนรัสัญญาหาวิธีกําจัดหินสกักําจัดยังไงก็ไม่ลงสุดท้ายใส่คล้ายาหินสกะว่าจีท้ายโครอาจารย์าการด้วมหูเบาเชื่อว่ า, าหินสกัดเนี่ยคงจะมีอะไรกับพันธยาเลยแซงบอกอหินสกัดว่าสํานักชั้นถ้าเธออยากเรียนให้จบต้องเรียนวิชาเกรซนาบนวิชานี้มีเครื่องประกอบวิชากริ้วมือหูคนเนี่ยพันธุยอยากเรียนไหม โอ่งริมันก็เกิดความโรบนะแต่ตอนนั้นเขายังเชื่อฮินสกา่าอยู่ไอ้ฮนสก่าเกิดความโลรบต้องเรียนถ้าอยากเรียนนะก็ต้องไปหานิ้วสุดท้ายก็ต้องไปหานิ้วทํายังไงเราก็ออกจากบ้านจากเมืองไปถ้าเดิตัดคนตอนแรกยังไม่ได้ดตัดนิ้วนล้วโยน่าคนก่อนฆ่าคนน้องก็เอาเนิ้วไปวางไว้ตรงโน้นตรงนีง้ตรงโน้นตรงนีงงนงงนง้หลังๆมันชักจำไม่ได้ว่าฆ่าไป แ, แล้วกี่คนได้มาแล้วกี่นิ้ว ก็เลยใช้วิธีใหม่เริ่มมีการบริหารจัดการเกิดขึ้นเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมลาลัยพอนิ้วมาร้อยเป็นพวงมลาลัยปุ๊บก็มาสวมที่คอชื่อก็เลยกระชอนจัดอันน้ปสะ ก, กาเป็นองค์คู้ลีมานผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมลาลัยองค์ผุ้ลีมานสะสมนิ้วมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อเรื่อยอธมาชิวันนี้เป็นต้นกําเนิดของเกม G T a นะเนี่ยเต็มค่าคนนะ สะมนิ้วมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้998เนิ้อ999เนิ้วเหลือประมาณนิ้วเดียววันนั้นเป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของกุลิมาพระพุทธองค์เสด็จตื่นบรรทมแต่เชา้าู่พระพุทธองค์นี้ตื่นประมาณตีสามเพิ่งนันอนนะเสด็จตื่นบรรทมแล้วทรงชำระพระวรากายประทับนั่งสมาธิทอดประเน่พรามที่บระเยสันสู่ไปทั่วทั้งสากลโลกเพื่อดูว่าเวนายาศาตว์คนไหน เข้าข่ายที่จะต้องไปโปรดวันนั้นองค์กุลิมานปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์เช้าตู่ปั๊บพระองค์ทรงอุ้มบาศบอกพระอา น, น์พุทธานุชาว่าอานอน์วันนี้ไม่ต้องตามเราตถาคตทําไมไม่ให้ไปเพราะว่าการไปทางนี้ไม่แน่ว่าเราตถาคตจะได้กลับมั้ยจะไปโปรดองค์กุลิมาน พุทองค์ก็ทรงเสี่ยงภัยแบบนี้บ่อยๆนะคนดผมนะหลายครั้งที่มีคนจะฆ่าองค์นะองค์จะไม่ให้คนนั้นสงตามจะไปเองหพุทธองค์เสเด็จดำเนินเข้าป่าไปคืนนั้นสองสามีพันรยาพ่อแม่ขององค์คุริมันก็คุยกันพันรยาบอกว่าพี่พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าทางบ้านเมืองเขาจะจัดทุดเฉพาะกิจไปฆ่าลูกเราพี่ไปแจ้งหน่อยไหมเขาจะได้เตรียมตัวทานสามีบอกว่าฉันไม่ไปหรอกใครทํากรรมคนนั้นก็รับสิ ผู้เป็นแม่ขององคุลีมันร้องไห้บอกว่าพี่ไม่ไปไน่ะได้แต่จะให้ฉันเห็นลูกถูกฆ่าฉันทำไม่ได้ตีสี่แม่ขององคุลีมันก็ออกจากบ้านตัดฉากลับไปที่สำนักพระราชวังพระเจ้าเปรเสรษฐีโกศลคืนนั้นทั้งคืนประชุมดวนตั้งหน่วยเฉ้าเกิบปราปรามองคุลีมันเช้าถูอวันนั้นเสด็จญาตราทัพเข้าป่าไป แต่ก่อนจะเข้าป่าพระเจ้าเกษสรที่โกศลทรงตั้งพระทยัยว่าจะไปกราบพระพุทธองค์เพื่อขอฟังท่าทิก่อนถ้าเกิดพระพุทธองค์ทักว่าไม่ต้องไปหรอกอันตรายพระองค์จะได้ถอนทัพ ก, กับภาพลักก็ไม่เสียวันนั้นพระพุทธองค์ไม่เนี่ยพรองค์ก็เล่มาพระเจ้าปเกษตรที่โกศนพร้อมกองทัพเดินออกจากที่ตั้งของเจเป้าหมายคนคนเดียวคือองค์กุลีมาคุณเดมใช่ไหม ช้าตรูวันนั้นแม่เดินดุ่มเข้าไปในป่าองค์ุลิมันซุ่มมาทั้งคืนจนเห็นแม่เดินออกมาองค์ุลิมันนั้นถูกความโลภครอบงําจนหน้ามืดตามวัวที่เห็นเดินมานั้นองค์ุลิมันมองไม่เห็นว่าเป็นแม่และมองไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เห็นเดินมาวัยนั้นนะ้ชองค์ุลิมันเห็นแต่นิ้วแสกมาแค่นี้ไม่มีคนเดินมามีแต่เนื้อแขวงมาไ ว, ไวัยวั พวาโลกทําให้องค์กุริมันเล็งเฉพาะเป้าหมายเท่านั้นไม่สนว่าอะไรที่พ่วงมากับเป้าหมายนั้นมันจะนําอะไรมาให้ฉันไม่สนฉันเห็นแต่เป้าหมายคือนิ้วทั้งทั้งที่นั่นเป็นนิ้วของแม่คุริมันวิ่งจกพุ่มไม้ถือดาบวิ่งตรงไปพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาทันสวนเขไปตรงกลางเดินนำอยู่ไม่กี่งเจ้าองค์กุริมันฉนมากที่เมรุพามาขวาง ตะโกนบอกให้หุดพระพุทธองค์หันกลับม า, าเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่อยู่องค์ุลิมานนั้นเป็นนักเรียนอรฉรยะพอได้ยินพระพุทธเจ้าเสนอตรากะที่ขัดแย้งกันอย่างนี้ปุ๊บตะโกนถามเลยท่านกําลังเดินอยู่แต่ทําไมจึงบอกว่ายุดเราที่หยุดยืนหอบแฮกแทกเนี่ยท่านยังบอกว่าเราไม่หยุดอีกพุทธเจ้าก็หันกลับมาบอกว่าองคุลิมานเราตถาคตหยุดแล้วจากการฆ่าสัต์ตัดเชื้ ดังนั้นถึงแม้จะเดินอยู่ก็ชื่อว่าหยุดเธอสิหยุดอยู่แต่ว่ายังคงฆษาสัตว์แต่ชีวิตฉะนั้นหยุดก็จึงได้ชื่อว่าเดิน ไ, ได้ยินพุทธดาหนักแค่นี้องคุลยมันเข่าสูดุดใบขนมองก่อนจะมาเรียนหนังสือเขาประพิมประพายในความทรงจําว่าพระพุทธองค์เสด็จอุบัติแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าประทับอยู่ที่ไหนนาทีนั้นในใจขององค์ุลย์มันคิดว่าสงสัยคนที่อยู่ข้างหน้าจะต้องใช่แน่แล้ว พระพุทธเจ้าแน่ๆย้อนถามว่าใช่พระผู้มีพระภาคหรือไม่พระผู้ดุจัดต่อบว่าองค์คุลิมาเราตถาคตองค์คุลิมานน้ำตาเรื่นถ้าแต่พระผู้มีพระภาคนานเดือกเกินหนอที่พระองค์จะเสด็จมาโปรดโลกทําไมไม่มาก่อนหน้านี้พระพบอกว่าแต่เราก็มาพอรู้ว่าเป็นพระ ส, มสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ุลิมารนิยมดักที่ เลยกันสองสามคำองค์ุลิมนานบรรลุธรรมเป็นพระสวสดาบัระพทธงคากับวัดไปบวชบวชเสร็จแล้วกองทัพเจ้าเปรตที่โกศลก็เข้ามามัตรเจ้าเปรตที่โกศลก็มากราบพระพุทเพราะว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคมอมฉันมาครั้งนี้จะมากราบบังคมทูลลาไปจัดองค์คุลิมานพระพุทโธก็บอกว่ามหาปิฏฐ์ถ้าเกิดสมมุติว่าองค์คุลิมานเข้ามาบวชแล้วนะพระองค์จะว่ายังไง โอ้โหมหาโจรขนาดนั้นใครเอามาบวชได้ยังไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ถ้าเราจะถาโคตทําได้พระองค์จะว่างไงโอมนี่แหละจะเป็นยอมอุปถาเองจะดูแลเรื่อย่างดีเลยพเสร็จแล้วพูศศพ้ดูก็บอกว่านี่ไงพระโอมกุลิมาเท่านั้นเองวงแตกเลยจะลุกหนีเลยพระเจ้าเส็ิที่ประสนนะพระก็บอกว่ามหาบัพติไม่ต้องปราบเราปราบเรียบร้อยแล้ว เจ้าประเสริฐที่กุศทร ง, งดีพระทัยมากถึงกรทรงรํำพึงออกมาเป็นกวีนิพนธ์บอกว่าพระพุทธองนั้นปราบคนที่ใครๆก็ปราบไม่ได้และในการปราบนั้นไม่ใช่สัตราราษฎรเลยแม้แต่อย่างเดียวต่อมากวีก็ามาเขียนเอาไว้ว่าพระพุทธองนั้นทรงดับร้อนได้แล้วจึงสอนให้คนอื่นหายร้อนทรงเย็นสนิทแล้วจึงสอนให้คนอื่นเย็น ทรงข้ามทางกันดาลแห่งกิเลสได้แล้วจิงจูงแขนคนอื่นข้ามทรงฝึกผู้ที่ใครๆก็ฝึกไม่ได้แล้วก็จิงเดินสายฝึกคนไปทุกคนทุกแห่งกรณีของพระองคุริมานั้นสะท้อนธรรมชาติของความโลภะกัรหนึ่งก็คือความโลภจะทำให้คนที่ตกเป็นท่านแล้วมองไม่เห็นอะไรรอบๆด้านไม่เห็นอัดไม่เห็นธรรมไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่ ไม่เห็นสังคมไม่เห็นสิ่งแวดลอ้อมไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่เขาเห็นมีสิ่งเดียวคือเป้าหมายที่เขาต้องการจะครอบครองรุนแรงขนาดที่องค์กุลิมานมองไม่เห็นแม่เห็นแต่เนื้อเท่านั้นเองคุณผูมดูสินี่คือธรรมชาติของความโลภสามประการธรรมชาติของความโลภเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของความโลภสามประการนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดให้เหลือประการเดียวก็คือความโลภไร้จิตจำเป็นถ้าเรารู้ทัน ธรรมชาของความโลภอะไรขีดจำกัดแล้วแล้วยังพวกอันตรายมาเลยนะจะทํายังไงท่าทีต่อความโลภ ก, ก็คืออะไรท่าทีต่อความโลภมีหลายวิธีนะก่อนที่จะเล่าหน้าที่ของความโลภในตำข้อ ข, ขอแทนเรื่องจริงให้อีกเรื่องหนึ่งผู้ชายคนนี้เพื่นให้สัมภาษณ์นิตยสารสุเพศในเครือมาเรืนนะ่คุณบุญชัยเป็นจรงข้ากุลคุณบุญชัยเคยเล่าในเวทีเสวนาร่วมกับอาตมา คุณบุญชัยเล่า ว, ว่าเขาเป็นบุคคลต้นๆสองคนของประเทศไทยนี่แหละที่มีเงินระดับหมื่นล้านเพราะเขาอยู่ในธุรกิจโฮร์ทัสมานาคมมาก่อนแล้วคุณบุญชัยก็บอกอีกว่าเขาเป็นหนึ่งในสองของคนไทยคนแรกที่มีเครื่องบินเจ็เป็นส่วนตัวก็รวยสักขนาดนี้นะคนนั้นรวยขนาดนี้มั่งมีสีสุด ข, ขนาดนี้แล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ได้ค้นพบสัจฐานเรื่องความโลภเมื่อไปไปชุม ที่ต่างประเทศคุณบุญชัยเนี่ยไปเห็นเครื่องบินเจ็ตของเพื่อนเขานึกเปรียบเทียบเครื่องบินของตัวเองเขาบอกว่าเครื่องบินของผมเนี่ยก็บินได้อย่างดีก็ในประเทศแต่พอเครื่องบินเจ็ตของเพื่อนที่เขาไปเห็นเนี่ยนะคนเดีนะใหญ่กว่าเครื่องบินของเขาสามเท่าไม่ใช่แค่บินภายในประเทศนะบินข้ามทวีปก็ได้ กลับมาคุณบนชัยเศร้าหเลยเศร้านะเพรามองเห็นแล้วว่าที่ตัวเองมีนี่มันเอาสู้เพื่อนไม่ได้จึงเกิดบอดอรุปขึ้นมาในชีวิตนะก็มีขนาดนี้มันกันทุกข์หรอจนกระทั่งวันหนึ่งถูกคุก ค, คามให้ขายธุรกิจถูกคุก ค, คามหนักถึงขั้นความเป็นความตายนาฬีเป็นนาฬตายนั้นพอดีอห้าโมงเย็นคุณบนชัยก็เลยบอกเพื่อนว่าพวกคุณรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นไปทําวัดเย็น บริสัทค so ุณบนชัยน <uz ra. S 1> ั้นจะทำวัดเช้าทำวัดเที่ยงทำวัดเย็นส่วนบนทำสมาธิภาวนาตลอดเลยพราะถูกครูคุขคมขนาดคุณบนชัยบอกคุณรอแป๊บผมขึ้นไปส่วนบนส่วนบนเสร็จก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิได้แป๊บหนึ่งสว่างลงขึ้นมาจิตสอนจิตว่าคุณก็มีขนาดนี้แล้วทำไมยังมานั่งแบกความเครียดไหนวัตถุสินสริงคามที่เรามีทั้งหมดมันทาให้เรามีความสุข แล้วนี่มันทำอะไรกับคุณเนี่ยพอาจิตมันสอนจิตเองนี้ปั๊บคุณบนชายก็งลงมาเดินไปหาฝรั่งคู่ค้าบอกว่าจบลงพวกคุณจะซื้อใช่ไหมผมจะขายฝรั่งตกใจเลยนะขอซื้ออยู่เป็นปีไม่ขายอันนี้หายขึ้นไปเสร็จนาทีบอกขายตกใจมากว่าเกิอดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ประกาศขายเลยฝรั่งหายไปสามอาทิตย์ยังไม่ติดต่อกลับมา เขาเปิดหัวไปตามว่าทําไมคุณไม่ว่ า, ายังไงแล้วหรอเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อฝรั่งบอกว่าซื้อแต่พวกเราตดใจอยู่เนี่ยคิดอยู่ว่ามันเป็นกลลวงอะไรหรือเปล่าทำไมคุณขายง่ า, งายๆอ่ะคุณวุ่นชัยก็บอกว่าไม่มีอะไรผมรู้สึกว่าผมต้องพอเพราะถ้าผมตามไปมันไม่จบแน่ๆจากเรื่องนี้สรุปได้ว่าความทุกข์ในชีวิตของคนเรามีสาม ร, ระดับหนึ่งทุกข์เพราะไม่มีแต่ความทุกข์ขั้นพื้นฐานนะ ลูกเราไม่มีเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าไม่เตรียมอะไรไวให้เลยเกิด <c oughs> <c oughs> มาไม่มีแต่ตั ว, ตวนั่งจ้างถ้ามองโลกในแง่ดีแบบอาอตมานั้นแสดงว่าพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกมากอยากให้ลกูกแสดงศักยภาพหาเอาเองใช่นะั้ม <c oughs> อยากให้หาเองสองทุกข์เขมีแต่ไม่พอ เขามีอะไรเราก็มีหมดเลยเขามีรถเราก็มีรถเขามีบ้านเราก็มีบ้านเขามีชื่อเสียงเกียรติคนก็มีหมดแต่มันไม่พอมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งเพื่อนของเพื่อนนี่ของเรานี่ยังใช้2 G ของเพื่อนมัน3 G อะ h o n e นอะดูสิเนี่ยดูหนังฟังเพลงครบหมดเลยเช็คเมลได้หมดกลับไปบ้านเอาของตัวเองซ่อนเลยทั้งทั้ที่โทรศัพท์เครื่องนั้นเคยให้ความสุขกับเรามา เป็นปใช่ไหมพอไปเห็นของเพื่อนปุ๊บของเพื่อนดีกว่าจิตมันจะบอกทันทีว่าของเราที่มีอยู่ไม่ดีพอเราไม่รู้จักพอของดีที่มีอยู่กลายเป็นของไม่ดีนี่คือทุกข์เพราะมีแต่ไม่พอสทุกข์เพราะมีแต่ไม่เท่าเหมือนเรื่องล่าของคนบนชายที่บอกว่าอยู่เมืองไทยมีตั้งหมื่นกว่าล้านแล้วนะคริ่งดิงเจ็บตรงนี้แล้วนะพอไปต่างประเทศเนี่ยไปนอนข้างหนาเพื่อน ไปนั่งเครงบินของเพื่อนกลับมานะ่ะเศร้าเลยเป็นไมเกรน จ, จะเป็นจะตายอยากหาให้มันเทียมเนะืเทียมตาเพื่อนอีกสุดท้ายขึ้นแล้วว่าถ้าจะต้องทำเช่นนั้นคงจะต้องวิ่งตามความอยากไปสุดท้ายจะได้พักได้ผ่อนเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจหักดินเลยไม่วิ่งตามความอยากเีออกมาอีกทางหนึ่งขายธุรกิจทั้งหมดแล้วไปตั้งมูลรายไที่เลยคุณยมเห็นไหมย่างเรื่องนี้ก็สะท้อนว่า ถ้าเราไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของความโลภนะเราจะตามเขาไปตามไปตามไปตามไปแล้วคุณยมคิดไหมว่าถ้าเราอยากมีแล้วมีเสร็จแล้วนะคิดว่ามันจะพอนะเข้าใจผิดนะพอมันมีปุ๊บนะความโลภเนี่ยพอมันมันได้อะไรสักอย่างนะสมอยากปุ๊บมันจะอยากใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากปุ๊บตามไปนะมันอยากใหม่ อยากแล้วผสมอยากมันจะอยากใหม่ขึ้นมาทันทีทันทีทันทีทัน ท, ท, น ท, ท, นทีเหมือนเราไปตักน้ําเติมทะเลอคุณผู้ชมตักน้ำไปเติมทะเลนะทั่วโลกนี้ที่ทะเลเป็นทะเลเพราะน้ําทุกสายไหลไปรวมแต่ทะเลเคยแถลงข่าวไหมว่าปฏิเสธน้ําแล้วไม่เืยมีทะเลจะเอารับน้ําอยู่ตลอดลเวลาความโลกก็เป็นอย่างนั้นคือไม่มีขีดจํากัด คุณที่หาอะไรเติมเขาลงไปนะเหมือนเหมือนเทนนะ้ำมันใส่กองเถอะเพราะจะบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกรำมาจนของความโลภเป็นอย่างนีน้ทุกเพราะไม่มีท่านหาด้วยความขยันมันเพียรวันหนึ่งจะทุกเพราะไม่พอคุณตายไปเสียก่อนคุณก็จะรู้สึกพอนะแต่ทุกเพราะไม่เท่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีทาง ลูกศิษย์ของคุณธรรมค่ะคนหนึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากมีชื่อมีเสียงอยู่ห้าหกปีจนแล้วหนึ่งนักข่าวก็เริ่มเขียนว่าเขาอยู่ในช่วงขาลงเขาก็ไม่เชื่อทฤษฎีนี้ฉันจะอยู่ในช่วงขาลงได้ไงฉันเป็นเจ้าแม่โฆษณาอยู่ะโฆษณาเข้าตลอดเวลาแล้วก็มีคนทำนายว่ากําลังลงแล้วโฆษณาทั้งหลายที่นี่เริ่มถอนโฆษณาแล้วไม่เอาละเพราะอะไรเพราะหมอดูบอกแล้วว่ากําลังลง แต่ถ้าแจ้างมันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยสินค้าแย่เลยมันเลยลงจริงๆลงมาเรืเ่อยๆทุกหน้าซาดถึงขั้นอยากจะหาใครสักคนหนึ่งไปเก็บหมอโดเพราะมันกระทบแลยและในระหว่างที่เขากำลังลงนั้นก็มีดาวรุ่งคนใหม่โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเขาบอกว่าเขารับดาวรุ่งรุ่นใหม่ไม่ได้สักคน เพราะอะไรรู้ไหมเขามองแล้วไม่มีใครควรจะดังเท่าเขาเลยเขาต้องครองความดังให้กินเยลายาวนานที่สุดแล้วตลอดเวลาทุกจนทำอะไรไม่ได้ไปไปมามาทาถ่าจะไปหายาเสพติดเพราะอะไรเพราะเขาอยากบริหารความดังให้มันอยู่ที่เดิมเขาดังแล้วแต่เขาไม่อยากให้มีใครมาดังเท่าเขาไม่คือสัจจะแล้วเหมือนเดิมะหมายความว่าคนที่มีแล้ว พยายามตะกุยตะการให้มีเท่าคนที่มีอยู่แล้วนะก็ทุกข์ส่วนคนที่มีมากจนเกินพออยู่แล้วถ้าคนอื่นทําถ้าจะถีบตัวขึ้นมาเท่าก็ทุกข์อีกเพราะต้องรักษาความดังความมีของตัวเองอย่าให้ใครมาท่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมหาเศรษฐีทั้งหลายเครียดเครียดจัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหักดินมันเลยเบลเกสหักดิบนะเป็นเศรษฐีโลกซ้อนกันสิบสามสมัยพอสมัยที่สี่สี่หักดินเลยประกาศ ยกเงินกสิเอร์เซนตั้งมูลนิธิอีกสิเปอร์ซนต์ให้ถ่ายยาไม่ทําอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรมีขนาดเป็นเศรษฐีโลกก็ต้องรักษาแชมป์โลกเองเห็นไหมคนที่มีจนสุดโลกไม่มีใครเทียมแล้วนะต้องพยายามรักษาความมีของตงเอาไว้ให้นานที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวคนอื่นมาเทียมคนที่มีอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนที่มีมากกว่าพยายามไต่อันดับขึ้นไปให้เท่าทั้งคนที่มีอยู่แล้วและคนที่พยายามจะไต่ขึ้นไปให้เท่า แทบล้มกระดาตายเหมือนกันเห็นไหยถ้าคุณตามความโลภไปอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตนี่คือธรรมชาติของความโลภได้แก่ไร้ขีดจํากัดที่เราจะต้องรู้ให้ทั่วถันและประการที่2ในการที่จะบริหารจัดการความโลภนะเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้คือธรรมชาติของทรัพยากรทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่อย่างจํากัดแต่ความอยากของเราความโลภของเรานั้นไร้ขีดจํากัดใช่ไหม ถ้าเราต้องการทุกอย่างให้มาเป็นของเราทั้งหมดนะกว่าต้อนนำมาไว้เป็นของเราให้มากที่สุดแสดงว่าเรากําลังแย่งคนอื่นนะใช่ไหมคนอื่นนี่ถูกแย่งเอาไปมากที่สุดมากที่สุดสุดท้ายเขาจะเกลียดคนที่รวยที่สุดเห็นไหอยังทําไมคนที่รวยที่สุดจึงถูกเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกนะเพราะอะไรเพราะเขาไปกว่าต้อนเอาทรัพยากรของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ฉะนั้นอย่าปราถนาจะเป็นคนรวยที่สุดนะจะถูกเกลียด น, นะตอนที่เขารวยที่สุดเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าสื่อเริ่มเกลียดเขาเริ่มมีคนเขียนถึงเดียวเกลในทางที่ดีนะคนุณผู้ชมนะเขากลับบ้านเขาคิดว่าเอ๊ะเขาก็รวยจากการขายโปรแก ร, รมทํำไมมีแต่คนเกลียดไม่ใช่แค่ในประเทศอเมริกานะทั่วโลกเพราะอะไรเพราะพอเขามีเงินมากๆ เ, าเขาเริ่มกว้างซื้อ ซอฟต์แวร์ดีๆทั่ว uh huh. โลกที่มีคนคิดได้ให้มาอยู่ในอาณาจักร Microsoft ทั้งหมดคนที่ถูกว้านซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเจอเงื่อนไขที่ปฏิเสธไม่ได้คองเดียวเกตก็ต้องขายเริ่มเกลียดเดียวเกตหาว่าเขากําลังกินรวบทั้งโลกแต่เดีวยวเกตโชคดีมากรู้ว่ากําลังมีคนเกลียดเขาเลยตัดสินใจออกมาตั้งโมนาพิเวลานี้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นที่รักของคนทั้งโลกอีกแล้วกลายเป็นเศรษฐีโลกที่มีแต่คนรักเพ่า อ, อะไร รวยแล้วให้พวกดีขนาดไหนที่เขากลับตัวทำถ้าเขารวยขนาดนั้นแล้วลงเล่นการเมืองด้วยยุ่งไหมเนี่ยโชคดีของมิลเกินะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของทรัพยาก ร, กรก็คือเราต้องเข้าใจนะว่าทรัพยากรมีจำกัดถ้าเราอยากเอามาเป็นของเราทั้งหมดถึงเราจะทำได้แต่คุณจะไม่สุขเพราะคุณจะถูกเกลียดเป็นของแถมในโลกนี้ไม่เคยมีใครได้ทุกอย่าง คนที่พยายามจะได้ทุกอย่างคนคนนั้นจะทุกข์ที่สุดเหมือนที่ฮิตเลอร์พยายามจะครองโลกสุดท้ายต้องกินยาค่าตัวตายนัทโกลเดียนพยายามจะครองโลกสุดท้ายก็ต้องตายอย่างน่าในขนาดที่การเกาะแห่งหนอเล็สันเดอร์มหาราชอุตซาเกียทัพจากกรีซมาจาุดเทอินเดียครองไปแล้วครึ่งโลกสุดท้ายก็ถูกวางยาจนตายใครก็ตามที่อยากได้ทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่าง คือธรรมชาติของความโลภที่ต้องรู้ให้เท่าทันประการที่สองและธรรมชาติประการที่สามที่เราต้องรู้เท่าทันเพื่อจัดการความโลภนะธรรมชาติของชีวิตคืออะไรชีวิตเราไม่ยืนยาวอยา่าพิคิดนะไม่ยืนยาวอายุเฉลีย่ยของมนุษย์ทั้งหมดในโลกยุคนี้พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นะขั้นต่ำร้อยปีขั้นสูงเต็มที่เลยชนแผดานเลยร้อปี แต่รุเฉลี่ยของคนไทยในเวลานี้ผู้ชายหกสิบห้าปีผู้หญิงแค่เจ็ดสิบห้าปีคุณจะมีวันเวลาอยู่ในโลกกันแค่นี้แหละถ้ามีเวลาอยู่ในโลกกันแค่นี้คำถามก็คือที่หากันแทบล้มประดาตายจนไม่ได้หยุดไม่ได้หยอดนั้นใช้จริงๆแค่ไหนหาไปจนกระทั่งลงหลุมเลยไหมแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาใช้เงินใช้ทองที่หาอยู่นั้นฉะนั้นต้องรีบสะกดคำว่าพอให้เป็นนะเพราะอะไรชีวิตคุณไม่ยืนดา แม่ของลูกศิษย์ที่ธรรมคภัทรเล่าเมื่อกี้กําลังหาเงินหาทองพ่อก็ไปอยู่เมืองนอกจิวหลับแล้วก็ไปเลยไมนทันได้ใช้ด้วยองสัไปความตายมันมาเร็วจะตายเพราะฉะนั้นในเมื่อความโลภไร้ขีดจํากัดทรัพยากรจํากัดและวันเวลาในชีวิตของเราก็แสนสั้นถ้าบริหารจัด ก, การไม่ดีคุณจะเวลาแสนสั้นไปวิ่งตามกีลา ท, ที่แสนยาวตามมันไปเลยนะคุณจะตายก่อนกีลาจะเต็ม จะเอากับเข้าไหมาจะต้องรู้ให้ท่าทันธรรมชาติสามตัวนี้นะหนึ่งธรรมชาติของความโลภไร้ขีดจํากัดสองธรรมชาติของทรัพยากรคือมีอยู่อย่างจํากัดและสามธรรมชาติของชีวิตก็คือแสนสั้นเหลือปกินเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วจะบริหารจัด ก, การยังไงต่อไปประการต่อมาถึงขั้นภาคปฏิบัติแล้วนะหนึ่งเปลี่ยนวิธีในการบริโภคปัจจัยสที่ในหลวงทรงใช้ธรรมาเศรษฐกิจ พ, พอเพียงนั่นแหละ บริโภคปัจจัยส่ยังไงให้ไม่ตกเป็นทาสของความโลภมนุษย์บริโภคด้วยคุณค่าสองระดับหรือคุณค่าสองประเภทหนึ่งบริโภคด้วยคุณค่าแท้สองบริโภคด้วยคุณค่าเทียมบริโภคด้วยคุณค่าเทียมก็คือคุณค่าเคลือบแฝงทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของปัจจัยสี่บริโภคโดยคุณค่าแท้คือประโยชน์จริงๆของปัจจัยสี่เช่นรถคุณค่าแท้ของรถเฮอยานพาหนะ ถ้าเราบริโภคด้วยคุณค่าแท้นะว่ารถคือยานพาหานะรถญี่ปุ่นเราก็นั่งได้แล้วนะใช่ไหมแต่ถ้าเราบริโภคด้วยคุณค่าเทียมเราจะนั่งรถที่ผลิตในเอเชียมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดถึงขั้นโวยวายเลยนะครั้งหนึ่งมีคนโทรศัพท์ไปหาอาจาพระอาจารย์ครับพอดีเจ้านในให้จัดรถไปรับพระอาจารย์พระอาจารย์จะนั่งรถ ญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปอาตมาบอกว่าโยมขอแค่มีรถอาตมาก็พอใจแล้วสบายสบายนี่ยเห็นไหมคือยอดเยี่ยเขาคิดในเชิงคุณค่าเทียมไลเพราะพระที่มีชื่อเสียงต้องพอฟัด พ, พอเบี่ยงกันนะรถที่จะไปรับอาตมานี่มันพว่คุณค่าแทนเพราะอาตมาพ้าออกมาจากบ้านอาตมาไม่มีรถเลยอะตัวคนเดียวมาอยู่กร่งเทพใช่ไหม ไปยืนที่ป้ายรถเมย์มีรถเมยวิ่งมาแล้วดามาได้ขึ้นเฟียร์มาก็ขอบุญขอบคุณไมยุทธเอาไหแล้วอันนี้ให้เลือกว่าจะเอารถจากเอเชียหรือยุโรปโอ้โหดามาจึิงบอกว่าเอาแค่ร ถ, รถก็พอพระต้องการอะไรที่ง่ายๆแค่นั้นแหละทีนี้ถ้าเราบริโภคด้วยคุณท่าเทียมนะ่ยเป็นไงเราก็จะต้องวิ่งตามแนวโน้มของของตลาดของแฟชั่นของคนดําของรุ่นนี้กําลังฮิตที่สุดในเดือนนั้น ทีนี้เงินที่ไหนเราจะพอรองรับความอยากทุกคนใช่ไหมไม่พอหรอกอาตมาท้าได้เลยนะคนที่อยากมีรถยโร์นะพอรองมีแล้วหนึ่งคันนะสักห้าปีก็จะอยากมีคันใหม่พอมีคันใหม่ปุ๊บก็อยากจะเปลี่ยนจากรถเยอรมันนะไปเป็นรถประเทศอื่นบ้างนะสั่งจากสวิสบ้างสั่งจากที่โน่นที่นี่บ้างบรรไดของความอยากมันไม่เคยมีจุดจบมันเป็นทศนิยมไม่รู้จบ ความอยากคือทศนิยมไม่รู้จบไม่มีเื้องต้นไม่มีเงปลายถ้าเราตามมันไปตายปล่ายัยางนาฬิกาสักเดือนหนึ่งคุณค่าแท้ของนาฬิกาคือบอกเวลานาฬิกาทั่วโลกไม่มีนาฬิกาเรือนไหนแพงที่สุดกับถูกที่สุดสามเรือนเก้าเก้าที่ของผถงตีช่วมงมนโลกกันนะไม่เกินเลยจากนี้หรอกเอาคุณค่าแท้ก็คือ นาฬิกากี่บาทเราก็ใช้ได้ขอบอกเวลาเป็นและเดินตรงก็ใช้ได้นาฬิกาที่แพงที่สุดกับนาฬิกาที่ถูกที่สุดถ้ามันเดินตรงเหมือนกันก็ใช้ได้แล้วนี่คือคุณค่าแท้ส่วนคุณค่าเทียมก็คืออะไรเป็นของแบรนด์เนมของแพงของที่ซูเปอร์สตาร์กำลังใช้อยู่ของที่ไฮโซโลกอย่างแพริสเฮอรตันกาลังใช้อยู่เราวิ่งตามเขาไปเล อาตมาภาคเคยดูห้องแต่งตัวของมารายแครีไม่ใช่ไปเปิดดูนะไปดูสาระ ก, ก็ดีห้องแต่งตัวของมารายแครีมีรองเท้าส้นสูงสองพันคู่แต่ละคู่นี่นะคุณดม น, นะเอาซื้อรถญี่ปุ่นหนึ่งคันได้่อยพุกใช้ของดีทั้งหมดคุมีบัญชาหาเงินได้ขนาดนั้นคุณใช้ไปเถอะพุทธศาสนาไม่ว่า แต่พุทธศาสนาจะตหนีกก็ต่อเมื่อรายได้ต่ำแล้วยังมีรสสนิยมสูงอีกนั่นมันไม่สมดุล <S 1> <S 1> แต่ถ้าคุณมีเงินมีทองมีปัญญาหาได้คุณก็ทำไปเถอะั่นเพราะฉะนั้นบริบทปัจจัยสีให้เอาคุณค่าแท้เป็นเกนนะอย่าไปวิ่งตามคุณค่าเทียมและต่อมานียามความสุขใหม่ความสุขใหม่ทุกวันนี้มนุษย์ถูกหลอกนะคุมนะว่าความสุขจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อได้บริโภคมากที่สุดจึงเกินดั้ที่บริโภคนิยมใช่ไหมคนทุกคนนั้นไม่สามารถมีความสุขเโดยการนั่งนิ่งๆเชื่อไหมทุกท่านในห้องนี้อรตมข้าพเชื่อมันมาดวยมากหนึ่งคนหนึ่งโทรศัพท์เบอร์เใช่ไหมอาดมาขอถามหน่อยถ้าว่างคุณทําอะไรหยิบโทรศัพท์มามองมองแล้วก็กดแล้วก็เล่นเกมแล้วส่งข้อความโทรหา เครื่องเพงแค่ไหนก็ตามประโยคเริ่มต้นก็คือฮัลโหลยูไหนเราหนีแค่เนื่องใช่ไหมเรไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่านี้จริงๆแล้วพอโทรศัพท์ไม่มีทําท่าจะเป็นจะ ต, ตายนะอัตมาภาพเคยเห็นลุงเสคนหนึ่งของอัตมาภาพไปหาดามารที่โกเตแล้วลืมโทรศัพท์ไว้ในรถและเพื่อนก็ขับกลับไปที่มหาวิทยาลัยแล้วทําท่าเหมือนองค์ลงประทับเลยเพโทรศัพท์ไม่อยู่ เหมือนคนเสี่ยงยาเลยขาดความเชื่อมั่นไปหมดไม่แค่ลืมโทรศัพท์นะไม่ใช่หายนะก็ยังขนาดนี้คนจำนวนนั่งในเวลานี้มีความสุขเพราะขึ้นต่อวัตถุความสุขของเราไปนิยามโดยอิงกับวัตถุคุณจะสูญเสียศักยภาพในการมีความสุขต้องไม่ลืมนะมนุษย์นอกจากจะมีศรกยภาพในการหารเงินแล้วเรามีศักยภาพในการมีความสุขด้วยตัวเองแต่ศักยภาพนี้ถูกหลงลืมไป เพราะว่าลัทธิวัตถุนิยมสุวนิยมบริโภคป้อนวัตถุทุกอย่างที่เป็นเครื่องอานวยความสนุกให้เราทั้งหมดตั้งแต่หัวจนถกเท้าปีที่แล้วธรรมพไปแสดงธรรมที่ชิคาโกมีพระมารับอัตมภาพสามรูปทันทีที่เห็นอัตมภาพตกใจเพราะหลวงพ่อเล่นใส่บูทุกลูปเลยอู้ทำไมมันจะอินตขนาดนี้ไฮโซกันน่ะน โอ้ทานกองสุนที่มารับอดัมาท่านตกใจเหมือนกันนะท่านสมัยมากตับรถมารับอดัมมายมนะขับมารับอดัมมาก็รับได้นะท่านขับรถมาเองแล้วก็อินเตอร์มาติดต่อกันฮโลท่บมาถึงแล้วสิกนาดิกาท่านเดินมาตรงนู้นละโอ้เห็นเห็นความทันสมัยนี่คือละที่บริโภคนเจียมาทะลุตะลวงไปจนถึงพระเนนเทนน้อยกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราถามเองว่าเรามีอะไร ใช่มฮะแท้ที่จริงเนี่ยเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรท่านอาจารย์ดรสุเมธตันติเวชคุณเล่าว่าท่านถวายงานในหลวงมา น, นานมากจนกระทั่งวันหนึ่งได้บวชถวายในหลวงแล้วไปอยู่ที่วัดป่าที่ภาคอีสานทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตเห็นไหมเราต้องมานิยามการแสวงหาความสุขในชีวิตของเราใหม่เราจะทํายังไง ก็มาดูว่าเรามีความสุขจากอะไรได้บ้างหนึ่งมนุษย์สามารถมีความสุขจากความมีมีวัตถุเยอะๆเหมือนที่เรามีกันนี้แหละพอมีแล้วเราก็จะมีความสุขแต่มันไม่พอนะสองมนุษย์สามารถมีความสุขจากความดีอา้าวยังคุณโยมสองคนนะ่ะคุณโยมฮาคุณโยมเฮส์นนะ่ะคุณโยมหาน์ใคในไทๆก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีที่ดินใครๆก็รู้รยนะแต่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวสรรพากรได้ยิน สองท่านนี้มีความสุขจากความมีแล้วตอนนี้หาความสุขจากความดีอุทิศตนเป็นเป็นวิธีกรในงานบรรดาธรรมะต่างๆเรีกว่าทั่วประเทศไทยแล้วในเวลานี้เห็นไหอยังพอมีแล้วก็บอกตัวเองว่าเอาละเท่าที่มีก็น่าจะพอใช้แล้วเลื่อนตัวเองขึ้นมาหาความสุขจากการมีความดีอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เห็นไหมยังฉนั้นเป็นไปได้ัหมที่เราจะขยับความสุขของเราจากการคอยแต่บริโภคอย่างเดียวก้าวขึ้นมาหาความดี ทำความดีให้ชีวิตมีความสุขหลับตานิ่ถึงตัวเองว่าโอ้ตายวันนี้ฉันได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้ฉันไปบริจาคโน่นวันนี้ฉันอุทิศตัวนี้วันนี้ฉันเป็นล้าสาสมัครอ่านหนังสือธรรมะลงเสียงแล้วก็แจกไปทั่วประเทศวันนี้ฉันจูงคนข้ามสะพานวันนี้ฉันบริจาคให้มูลนิธิหลับตานิ่ถึงการให้ของเราสิพอมีความภาคภูมิในเจ็บในใจความสุขพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นความสุขจากความดี พยายามเห็นนะความสุขจากความดีมันก็สามารถมีได้แต่โดยมากเราพยายามจะก้าวไหมเราพยายามจะไปติดตันอยู่แค่ความมีเท่านั้นเองฉะนั้นเดี๋ยวข้าวขึ้นมาจากความมีมาเป็นความดีเอ้าต่อไปเป็นความสุขจากความรู้คนสุขจากความรู้เช่นนักวิชาการทั้งหลายเป็นคนที่ค้นพบธาตุเรเดียมเนี่ยแมรีคูรีกับปีแอร์โครีสองคนเป็นคนค้นพบธาตุที่สําคัญของโลก นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นทั่วโลกแล้วสคนนี้ได้รับรางวัลโนเบลไพล์สองครั้งพี่ย่าพี่น้องบอกว่าเธอทำไมเธอไม่จดลิขสิทธิ์เพราะถ้าเธอจดลิขสิทธิ์เธอขายนะโอ้ใครๆก็ต้องการเรเดียมแมรีกูรี่ตอบบนเวทีแล้รางวัลโนเบลไพล์ทำเอาทุกคนตกใจหมดเขาบอกว่าดิฉันไม่ขอจดลิขสิทธิ์ในสิ่งที่ดิฉันค้นพบเพราะสิ่งนี้เป็นสมบัติของโลก ในชีวิตของเดฉันหากมีตําราที่สิบย์ดีๆอยู่ในเมืองสักเล่ม น, นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะมีชีวิตยอยู่ยังมีความสุขเห็นไหมอันนี้คือมีความสุขจากการมีความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม้แต่ในชีวิตของอาตมาอาตมภาพนั้นถ้าจะสะสมวัตถุนะคุณโยมนะอาตมภาพักจะสามารถตั้งร้านสังฆพันธ์ระยะทางยาวหนึ่งกิโลเมตรไอจีโมคนจะตัปัจจัยที่คนถวายอาตมานะ เปิดได้ยาวกว่าร้านสังฆพันธ์ที่สักินช้ชาด้วยนะทุกวันมีคนถวายของตลอดนะเงินนี่น่าจะเก็บนะตอนนี้อนแะต่ละข้าวก็คงมีเงินเกินสิบล้านแล้วนะบางครั้งไปเทศเคลนมีคนถวายกันเทศตั้งหนึ่งล้านบาทแต่ม่ค่อยบอกลูกศิษย์เอาไปคืนเถอะเทศชั่วโมงเดียวให้มาตั้งล้านนะึ่ะแต่ถ้าเขาไม่รับรื้อออกมา <c oughs> คเราไม่ติดใจสึ่งเหล่านี้เลยนะในชีวิตนี้สิ่งที่อัตามาสารสอบนะคือหนังสืออัตมาภาพมีหนังสือเป็นหมื่นหมื่นเล่มจนเดิกมมนกลุงมอาภรณที่อัตามาภาพไปเปิดห้องสมุดที่จังหวัดชูไรอัตมาภาพและคุนยมแม่ตาพักภรรยาได้ทุนเชิญเสด็จสมเด็จประเทศไปทรงเป็นประธานเปิดและเสด็จเยี่ยมห้องสมุดพอไปเห็นสารานุกรมฉ บ, บับหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือสุรักของอัตมาไปยนะสมเด็จหันมารับสั่งบอกว่าโ oh, อ้เสียด า, าย มีของดีมากเลยนะนี่ยมาอยู่ที่นี่ทำยังไงจะให้คนมาอ่านกันก็่คือเรามีความสุขทางปัญญานะมนุษย์ทุกคนมีสกยภาพที่จะมีความสุขทางปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสุขทางปัญญานะเราจะไม่แสวงหาอะไรบบพพอพ่อคูลจนกลายเป็นพวกบ้าหอบฟัง น, นะในชีวิตเราเนี่ยเราจะมีแต่วัตถุ ง, ง่ายๆเพื่งนั้นเลยแต่พันแล้วเราจะสุข กายามีการทำสมาธิของเราจะเปลี่ยนกลายเป็นอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงเพราะเรามีความสุขทางปาัญญาและการตรอมามีความสุขจากความสงบนั่นก็คือมนุษย์สามารถนั่งนิ่งๆกำหนดดูลมหายใจคุณยอมเชื่อไหมมนุษย์ปกติหายใจนาทีหนึ่งหกสิบถึงหนึ่งร้อยครั้งแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิขั้นลึกจนถึงขั้นฌานคุณแทบจะตามหาลมหายใจไม่เจอหนึ่งนาทีบางทีนะ ไม่ปรากฏว่าเราได้หายใจเพราะลมหายใจนั้นไม่เอียดจนจับไม่ได้แล้วคุณบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ที่หายใจด้วยวิธีเข้าชาอย่างนี้นะอยู่ได้ถึงเจ็ดวันอิ่มหน้าตาผิวพรรณนี่พองใสไม่มีหน่อยครีมเน่าใสหน้าได้ไม่ต้องได้ใช้โบท็อกซ์ไม่ต้องฉีดเพราะความสุขมันอยู่ที่จิตที่อิ่มที่เต็มเพราะพระอถึงกระตับไวในพระสูตรนะที่สุทั้งหลาย หาคเธอตั้งหลายอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ในปัจจุบันขณะขอให้พากันบำเพ็ญอาน า, านาปานสติสมาธิสุขจากความสงบกิเลสมีติมเนงของความสุขนะถ้าใครมีความสุขจากความสงบความสุขจากกิเลสหยาบๆยาจะลดลงไปลดลงไปลดลงไปลดลงไปอัตามาจึงจำได้ดีตอนเป็น เ, น, เ, น, เนไปปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงพ่อฉรังก่อนจะไปนี่นะคุณโยมนะแต่ลวงพ่อก็เป็นนน้อย ที่ไม่ไ ป, ปสาาีภาษาอายุแค่สิบสี่สิบห้ารุนพี่อ่านหนังสือเราก็อ่านหนังสือรู่นี่ฟังเพลงเราก็ฟังเพลงไม่ได้คิดอะไรสมัยโน้ตหนังสือดับเบหนังสือเธอกระฉันอาตมาก็ยังทันได้อ่านนะเป็นทันอยู่นะเป็นแฟนเพลงของพี่กี้อริสมันพงเรืองโรง่นะฮีโร่ในใจก็คืออ้อมสุนิสาแล้วก็มอสปฏิพานโอ้โหชื่อหลุบชื่นชัยชื่อไม่มีความสุขนะมีความสุข ได้ฟังเพลงอนิสมนก็มีความสุขได้อ่านเด บ, บอยก็มีความสุขวันหนึ่งจับพระจะบปลูไปอยู่วัดหลงพ่อชรสองเดือนร้องไห้แบบมีความสุขทค่โน้นคนเราร้องไห้ได้สองครั้งหนึ่งร้องไห้ด้วยน้ําตาร้อนร้องเท้ากี่แหลมมันแผดเผามันเผาข้างในเดือดปุดปุดปุ ด, ป ด, ปดเป็นลาว่าเห็นความทุกข์ไหลออกมาทางตาทเทบโวาร้องไหบบรง้ร้อนสองร้องไห้เย็น ก็ไปเจริญนิพพานากับรรคฐานจนพบสภาวะธรรมจิตใจมันอิ่มมันเต็มจนอาตมาร้องไห้มานั่งนั่งแถวนั่นสุดนะั้นแต่ร้องไห้น้ําตาไหลฟักฟักฟังไม่อายครูบาอจารย์ไม่ห้ใครทั้งสิ้นคิดถึงแต่พ่อแต่แม่อยากกลับบ้านคืนนั้นไปจูงแขนยอมพ่อยอมแม่มานั่งสมาธิกับโลกสุขจากความสงบสุขจากการเจริญสติกลับมาครั้งนั้นประกาศบริจาคหนังสือบันเดร์บอยเทอกระชันไปไหนไปไห เครื่องเสียงเทปเครื่องเล่นนะบริจาคให้เพื่อนเทปเพลงต่งตางๆที่เก็บไว้ตั้งแต่เป็นเด็ก น, นะตอนบวชก็ออกมาด้วยบริจาคมาทุกบน้นเป็นร้อยโน้นไม่อ่ำจากนั้นทําอะไรเดินหน้าบาดกลับมายังไม่ฉันนั่งสมาธิต้นฐานตัวนี้แหละไปต่อแล้วก็ผ่านเรื่องโน้นผ่านเรื่องนี้มามีกิเลสไหลก็ามาเหมือนกับน้ำป่าทั้งชื่อเสียงเตียตะยนเป็นทองไหลสมัย ถ้าไม่มีวิปัสสนากรรมฐานอัตามภาพบ้วนเสือกลับไปเป็นชาวบ้านทีรยรแล้วเเราอะไรมันเยอะและมันเชี่ยวคนไม่เคยมีชื่อเสียงนะอย่าอยากมีนะมีแล้วนี่ถ้ารู้ไม่ทันนะตายนะตายเลยนะทีนี้พอรเราเรียนวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติแต่อยู่ตรงไหน ทั้งลเรามีทานนำผู้แห่งความสุขสงบใส่ไหลเด่นอวยอวยรอเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คนให้มาเราก็ให้ไปถวายมือซ้ายก็บริจาคมือขวาเพราะฉะนั้นใครทําบุญการตามาก็หมายถึงประโยชน์ของสังคมที่จะเกิดขึ้นตลอดสองข้างทางที่ธรรมภาพเดินผ่านไปธรรมภาพจะไม่รวยขึ้นจากการรับเงินบริจาคของโยมแต่ต่อมาเชื่อมั่นว่าสังคมนี้จะดีขึ้นจากการที่ธรรมภาพเอาไปบริจาคต่อ เพราะความสุขของเราไม่ใช่ความสุขจากความมีแล้วเป็นความสุขจากความสมบคุณโยมลองก้าวมานะความมีความดีความรู้ความสงบและถึงที่สุดมนุษย์สามารถมีความสุขจากความเป็นอิสระจากความโลกในโลกตะวันตกฝรั่งเขาชื่นชมกันนะเขาบอกว่ามนุษย์มีอิสระที่จะอยากพอมีอิสระที่จะอยากอยากอะไรแล้วสมอยากก็มีความสุข เราจึงกระตุ้นกันให้อยากกันเพื่อมั่นเพื่อมุ่งในทุกวันนี้ใช่ไหมวิทยาการที่สําคัญที่สุดในโลกยุคนี้ก็คือวิชาการตลาดวิชาที่คนสนใจรเรียนกันมากที่สุดในโลกทุกวันนี้ก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมนาดพระที่วัดเส้าหลินนะคนุณโยนนะปีที่แล้วนะท่านส่งพระไปเรียน M อ็บีที่ฮาร์วาร์ดสี่รูปบริหารการตลาดทั้งนั้นเลยเพาราะท่านคนเพราะวัตถุเทียนเนี่ย แต่ละปนีนำเงินเข้าวัดไม่รูทาไหร่แต่ขาการบริหารจัดการที่ไหนแทนที่จะไปบริหารจัดการกิเลสกลับส่งไปเรียนบริหารจัดการตลาดชาวตะวันตกเขาบอกกันว่ามนุษย์มีความสุขจากการที่อยากได้และอิสระพอสมอยากก็สุขแทนที่จริงไม่ใช่พอสมอยากปุ๊บมันอยากใหม่ความสุขกลายเป็นเรื่องในอนาคตเสมอไปแต่ทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะบอกว่ามนุษย์เป็นสุขที่สุดเมื่อเป็นอิสระจากความอยาก คุณโยมจะอยากอย่างอิสระหรือจะอิสระจากความอยากต้องเลือกเขานะทาอย่างไรจะอิสระจากความอยากวิธีที่ลัดสั้นที่สุดก็คือการเจริญนิพพานาการมรรคตามแนวสติปัฏฐานสี่เมื่อเราตื่นรู้อยู่ทุกขณะแล้วนี้พื้นที่ในจิตของเราจะเป็นพื้นที่ของสติสัมปชัญญะธรรมะตลอดเวลาธรรมชาติของจิตคือรับอารมณ์ได้ทีละขณะถ้าในจิตของเรานั้น รับอารมณ์เห็นความตื่นรู้อยู่แล้วพรความโกรธความหลงเขาจะแทรกตัวเข้าไปไม่ได้เลยฉะนั้นทําอย่างไรเราจะให้จิตของเรานนั้นตื่นรู้อยู่ทุกขณะจนกระทั่งความโลภความโกรธความหลงไม่มีช่องแทรกเข้าไปนั่นก็คือต้องมาเรียนวิปสัสส น, นากรรมฐานด้วยกันเห็นไหมอย่างวันนี้ธรรมภาพคิดว่าธรรมภาพเลยพูดถึงการบริหารจัดการความโลภมาทั้งธรรมาชาติของความโลภวิธีบริหารจัดการความโลภที่สุด ของการที่จะบริหารจัด ก, การความโลภ ก, ก็คือการดับ ก, กิเลสได้อย่าสิ้นเชิงก็พูดไปแล้วเอาละแตามาคิดว่าได้ใช้เวลาบรรดาธรรมนำปฏิบัติในคอสกิ เ, เลสแมネจเมนต์การบริหารจัด ก, การความโลภครั้งที่หนึ่งก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาทายที่ส่วนนี้ค อ, อเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวม ก, กันเป็นตบารเดชพลวัตปัจจัยอํานวยโดยใจให้ทุกท่านทุกคนมีความร่วมเย็นเป็นสุข ในชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ